ตังจากันทำความเขียนมาทั้งวันตอนคำๆเยน็ยนๆมาเราก็ฟังธรรมนะฟังกัรบารอบธรรมเพราะว่าจะได้เป็นการช่วยต่อย้ำซ้ำเติมเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติธรรมแนวทางปฏิบัติธรรม เส้นทางทำตลอดถึงอุปสรรคของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติทำก็เหมือนกับการเดินทางจะไม่ต้องมีป้ายบอกต้องมีลูกศรที่มีแผนที่หรือเหมือนกับการกินยาต้องรู้จักอ่านฉลากยา ให้กินกี่เมื่อกี่เวลานาทีแรวะหนั่นนั่นการทวัตส่วนมน์ก็คือการช่วยในการอ่านตลาดยาช่วยในการเดินทางเรามาศึกษาแผนที่ดูเรียงรู้มันเข้าใจโดยเพราะการทวัตส่วนมน์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่ท่านพาสวดมันได้ความรู้มากมายนะ ได้ทำให้เกิดความเข้าใจในพุทธธรรมเพิ่มขึ้นรู้ความหมายโดยเฉพาะพวกที่เป็นผู้ไข่เกี่ยวกับการศึกษาให้ต่อการรู้เรียนการรู้จำเป็นต้องมีข้อมูลเยอะๆข้อมูลก็คือ แปล ว, ว่าพื้นฐานมูลนี่จริงๆเขาแปลว่าขี้นะข้อมูลก็คือขี้พื้นนะขี้ฝอยนะมูลฐานให้กับจิตต้องมีขี้เยอะๆอยู่ในใจมันถึงจะรู้เรื่องจะ ย, ยอมลงมือปฏิบัติในสมัยที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ ทาใหม่ๆเนี่ยท่านนึกถึงคนที่จะไปสอนทาก็ได้เปรียบบุคคลไว้เป็นสามประเภทนะเหมือนดอกบัวสามประเภทคือดอกบัวพ้นน้ำ เพื่อปริ่มน้ำอยู่รอรับแสงดวงอาทิตย์ขึ้นมันยังไม่บานกับรบัวที่อยู่ปริ่มน้ำพ้นน้ำปริ่มน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ำรอจะบานมีอยู่สามประเภทท่านมองคนทุกคนเป็นแบบนั้นไม่มีที่จะมองว่าคนมีปัญญาทึบไม่สามารถที่จะเรียนรู้หลักสัจธรรมได้ไม่มี มีอุกติตัญโยในยะอุกติตัญโ r วิปจิตัญโ t ในยะนะมีอยู่สามประเภทอุกติตัญโยหมายถึงบุคคลที่ที่พ้นไปแล้วนะพ้นน้ำขึ้นไปแล้วคือไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมในสังคมเนี่ยเขาไม่มีในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขาจะระ บ, บุบ่งเอาไว้หลายแห่งวัดคนที่ศึกษาพุทธธรรมเนี่ยบางทีมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสะดับตรับฟังมากๆจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของ ของขันห้าเรื่องของจิตจิตมโนวิญญาณจําเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของธาตุธาตุสีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรมากมายคือมันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วถุกต้ในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นคือมันผัดสะมันเห็นอยู่ท่านความแก่ก็เห็นอยู่ความเจ็บก็เห็น ความตายก็เห็นอยู่คือมันปรากฏอยู่เรื่อยๆนะเราเห็นอยู่บ่อยๆให้หลายๆคนเขาปลงตกนะปลงตกคล้ายๆเหมือนเขาจะโผล่ได้อยู่เขาไม่กลัวผีบางคนนะแล้วบางคนก็ปล่อยวางร่างกายนี่ได้ระดับหนึ่งถึงไม้จะไม่เคยได้ยินได้ฟังมากระทำ คือมันเกิดจากการเฝ้าดูนะมันก็เกิดการคลายยึดถือระดับนึ่ะเพียงแต่ว่าจิตมันไม่เข้าสู่กระแสะคือมันอาศัยการเพ่งเินิสพีเคาะแล้วก็เกิดการปล่อยวางแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจด้วยระบบของการระลึกรู้นั้นมันจึงก้าไปถึงขันห้าไม่ได้ ก้ไปถึงเรื่องของจิตมโนวิญญาณไม่ได้มันจะอยู่ประมาณธาตุสีลหลายๆคนเนี่ยรู้เรื่องธาตุสีแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มและชีวิตประจวันเขานี่ได้นะนะไม่กินเหล้าเมายาไม่ซูปูรีไม่เล่นการพ น, นันไม่คบคนเชื่อเป็นมิตรบำรุงรักษาร่างกาย มีการทานอยู่ทานยายาต้มยาหม้อยาอะไรประมาณเนีนะ้กินกันเดิมเขาก็ไม่ฟุ่งเฟือยแล้วก็รักษาสุขภาพดี อ, อายุยืนนะร่างกายเขาแล้วก็ปล่อยวางกายได้ระดับหนึ่งจนมาคนเขาไปอยู่ตามรีสอร์ทไปอยู่ตามโน่นตามนี่เหมือนเขามีปลดญาชีวิตเขาอะไรสักอย่างนะ รวมถึงพวกนักพลดนักบวชสมัครเล่นทั้งหลายที่ออกไปอยู่ตามป่าตามเหวตามดงตามอะไรนะั่นเขาเรียนรู้ชีวิตโดยธรรมชาติกินน้อยคือไม่ติดในรูปปล่อยได้ในรถเขาก็เหมือนปล่อยวางได้กลิ่นเขาก็ปล่อยวางได้คือต้องส่วนมาดียวนี้เรากินเจในส่วนมากจะติด ยัไม่อยากกินแต่ในรูปคือรูปรูปอย่างมังสวิรัตเนี่ยไม่กินไม่กินมังสะงดเว้นเนื้อเฮียนะคือรูปไอ้ที่เห็นรูปเราไม่กินเนะนีน่ยรูสัตว์นิตชีวงเวลาเรากินเนี่ยท่านบอกอย่าให้เห็นว่ามันเป็นมีเป็นว่าเป็นนี่คือสิ่งมีชีวิตอย่าให้จิตมันลึลกลับไปทานนู้นแวบไปท่านี้แต่ให้อยู่กับปัจจุบันเฉยๆตอนกินเนี่ย นิิโวสุญโยให้ระลึกว่านี่คือว่างเปล่าแห่งความหมายว่างเปล่าจากความหมาย่ความเป็นตัวตนนะสุนโยนิชิโวสุญโยนิสัตโตอย่าได้คิดว่าเป็นสัตวะนะสัตวะสัตวะรู้จักสัตวะนะสัตวะเขียนสัตวะนะ คืออย่าได้คิดว่าเป็นสัตว์เน่กินสัตว์นะกินบุคคลกินตัวกินตน้นกินเรากินเขาอย่าให้มีความรู้ ส, สึกแบบนั้นกินก็คือกินจะจะเฉยๆนะนะอย่าให้มันแวบไปไกลเคี่ยวจบก็จบคล้ยๆว่าเขาต้องการให้มีสมาธิในขั้การกินอะไรปรนะมาณนั้น สุนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพโอปนายังบินาปตุจิกุชนิโยกอบินธบาต ท, ทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายยังปตวา ม, มาถูกเข้ากับกายและมันกาลังเน่าสลายไปแทนที่จะเล่าอยู่ข้างนอกก็เน่าอยู่ข้างในมั้ยท่านไม่ติดรูปก็ไม่ติดรูปนะไม่ให้ติดไม่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ติดรูปนี่อันนั้นนะอันนี้นะนึกถึงอันโน้นอันนี้ไปเรื่อยเรื่อย ไม่ให้มี่ะไม่ให้ไปไกลให้อยู่ปัจจุบันจบก็จบนะาธาตุผสมาธาตุเฉยๆท่า น, นั่งอยู่นี้เป็นาธาตุดินอีกหน่อยก็จะสลายแล้วนะถ้าไม่กินเข้าไปก็หายสลายหายไปแต่ว่าการกินเราเนี่ยอย่า ก, กินเพราะว่าเห็นว่ามันอันนี้กินเนื้อนะอันนี้กินสัตว์นะกินปูกิกนปลากินความรู้สึกแบบนั้นเนะี่ยยิ่งมันฝังอยู่ในใจยิ่งมันมีให้จิตมันมีสมาธิสักแต่ว่าเฉยๆ นะแล้วก็เวลาทานเข้าไปก็รู้สึกผัดสะอาและลึกรูนะ้ก็จบไปรถทีนี้ปัญหามันนะรูปบางคนผ่านได้กินรูปไปเลยกันบางคนขยะขยแยงเนี่ยนะขยะขยะแขงไม่กล้ากิน น, นั้นกินนันนี้ได้กินนันน้นไม่ได้ กินโป๊กินปลากินหอยกินงกินหอยหมอคนหนึ่งเขไปอยู่กุหลาบตากินอะไรก็ได้มอดบอกให้กินอะไรกินหมดกินลาบเทากินลาบออมผํากินกุฎจีเมงขนุนเมงอะไรยางไงตักกะเต็นพวกนี้คือชาวบ้านเขามีอะไรไปพิพิธบาตมาได้พระกินได้แก่ก็กินได้ แต่ไม่ให้กินเป็นเพื่อนเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งเห็นไหมดูที่จิตนะไม่กินเพื่อเล่นกินเล่นเล่นก็ไม่ได้นะนะเพื่อสนุกสนานกินสนุกสนานเพื่อประดับเห็นไหมกินเล่นเราก็ซื้อขนมแบบเป็นถุงมาซื้อเลซื้อปลาบิกะปาพิชโชกินเล่นนะ <c oughs> เพื่อสนุกสนานเพื่อประดับนี้บำรุงเล็บบำรุงฟันบำรุงอะไรล่ะนะ ถัวลันตอกลันเตาถั่วนุนโทนี่นะนะตัวสนุกสนเพื่อประดับเพื่อตกแตง่งเปปทีนซอยเปปไา ย, ยามาบำรุงสมองอะไรไประมาณนี้นะนะถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เนะี่ยผิดนะในหลักการของพุทธศาสนานะแต่กินเฉยๆในใะจเขาไม่ถวายแตกินไปตามเรื่องอันนี้เมันจะบำรุงนะนี่มาบำรุงศองความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ โอ้ยเดี๋ยวนี้เล็บไม่คม่อยดีมากินบำรุงเล็บนะไม่ได้บำรุงไม่กินเพื่อบำรุงเส้นผมเนี่ยงามสลวยสวยก็ไม่ได้ดังั้นการอาบเนะื้ออาบนา้ําแต่งเนื้อแต่งตัวทำนู่นทำนีมีความรู้สึกเพื่อประดับเพื่อตกแต่งร่างกายเลยวนะเนี่ยไม่ได้เลยแสดงว่าจิตขาดสมาธิศา ส, สนานะเขาละเอียดปานนั้นนะไม่กินเพื่อประดับเพื่อตกแต่ง แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ไม่ให้เกิดทุกขเวทเวัทนาใหม่อันจะเกิดขึ้นและดับทุกขเวทนาเก่าที่มันมีแล้วเดี๋ยวนี้ทุกขเวทนาเก่าๆมันก็มีนะอย่างเราเจ็บเราปวดเราเมื่อถ้าไม่ได้กินเนี่เมื่อจะตายเออหนะักของจริงอันนั้นนะเรากินเข้าไปเพื่อดับเวทนาใหม่และป้องกันก็คือมันจะยิ้วจะกระหายจะโน่นนี่เอากินกินได้ สมัยก่อนท่านพุทธศาสนาเนี่ยเขากินกลางคืนท่นทาพุทธเจ้ทาท่านกไม่ได้ว่าเลยพรนะบินทบาทพระแต่ก่อนกลางคืนก็บินทบาตนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดดดดดดดดนั่งหลังมาหลายเรื่องเข้านานเข้านานเข้ า, นานพระบินทบาตแต่การบินทะบาทเจตนามันจะต่างไปมันสร้างความวุ่นวายบ้างอะไรบ้างเห็นแะก่การกินบ้างท่านก็เลยงดให้บินทบาทเฉพาะกลางวันมาที่บางแห่ง รุด ล, ลงตาเลยยังบินธบาตตอนบ่ายกลางคืนก็ยังมีอ่ะยังเคยมีทางจังหวัด ท, ทางอีสานนะแต่บินธบาดน้ะนะําปณะบินธบาตโอวันตินอะไรนี่จ้นี่ยบินธบัติไปเขาจะรู้หรอเขาจะใส่อะไรญาติยโยมนะนะไม่ใช่บินธบาติคือข้าวไม่ใชนะ่ตอนบ่ายเราไม่ได้ชงน้ําปะนะแต่เดินอุ้มบินธบาตไปเขาก็สบายแต่นี้มันก็มันก็เกินไปลงทุนบินธบาตอ้อมหมู่บ้านเพื่อนน้าปณะนะจอกเดียวก็ ก็เลยเอออามาชงเอาเองเขาก็ถวายมานะหลวงพ่อเอาถวายนะโอวันตินน้ําตาลไปทําเอาเองทำเอาเองก็แทนที่จะเอาสักจอกหนึ่งก็ไม่ได้หรอกสักกิโลหนึ่ง น, น, นี่เห็นไหมจิตมันเปลี่ยนไปถึงแม้ไม่ไมีระบาด ท, ทำเอาเองก็ผิดถ้าติดในรถนะปัญหามันเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้เหงื่อกาย น, นี้มันไม่ได้ทั้งพอตั้งอยู่ได้มันเพื่อความอริสอร่อยเพื่อรสเพื่อชาติ จิตเราจะเป็นแบบนั้นถ้ากินแบบนั้นก็ไม่ใช่แบบพุทธละนะรวมทั้งปัจจัยสีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เรามีเสื้อผ้าก็เหมือนกันยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มทั้งหลายทั้งส่วนเมื่อนี่มันแช่ของนอกนะเนี่นะแช่ของนอกแต่บางคน ว, งวางกลุ่มบางประเภทเขาก็เอาพัฒนานะพัฒนายาสมุนไพรกินเองรักษาเองไม่จะเป็นต้องของนอกของอะไรนะโดวยเฉพาะกลุ่ม ศูนยะ์ ส, สมุนไพรที่เขาวิจงวิจัยกันได้รับมีมาตรฐานระดับนั้นคือของอภัยภูเบศเียนะเขาทำดีกลุ่มสร้างสรรค์กลุ่มของสันติอโศกพวกเนี้ยนะสมุนไพรเขาทำดนะีหมอเขียวเนี่ยนะเขาพัฒนาดีอยากให้ย้อนกลับมาหาสิ่งที่เรามียอะไรประมาณนั้นนะ แต่อะไรก็ตามถ้าไปยึดมั่นหรือมั่นผิดหมดในระแบบ บ, บแบบพุทธเนี่ยผิดหมดเลยนะทําให้ร่างกายดีสมองดีอะไรต่างๆให้มันดวงเด่นดีเนี่ยผิดนะนะคือพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่อืเขาไม่ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันอยู่ให้อยากอยู่หรือปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันอยากตายไม่เน้นะ แต่ให้มันเห็นตามความเปจริงอยู่ก็ได้ตายก็ได้ประมาณนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ทุกข์ก็รู้มันทุกข์ก็เข่าใจอยู่แบบไม่ทุกข์ก็เข่าใจแบบไม่ทุกข์ชีวิตอยู่ประมาณนั้นฉะนั้นรูปนะรูปก็ไม่ต้องไปไปสนใจมันหลายๆคนเขาปฏิบัติได้นะนะเขาไม่สนใจนุ่งพอนุ่งได้อืง่ายๆเขาจะเน้นที่รูปคนเนี่ยหลายๆคนเน้นที่รูป ปฏิบัติ ร, รมเอา้านุ่งเสื้อมียูนิฟอร์มส่วนตัวง่ายๆทรงผมเอา้าตัดสั้นๆ น, นี่นะหรือโกนผมหรืออะไรส่วนตัวเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังหัวเนี่ยมันดูเหมือนชีวิตที่เหมือนเหมือนใช้ได้ะนะแต่มันไม่พอแค่นั้นพุทธธรรมเนี่ยมันยังลุกลามไปถึงรสกลิ่นเสียงนะ ที่มันเข้ามาพัวพันกับจิตเนี่ยรวมถึงทิฏฐิมานะราคะตัณหาโนะ้นน่ะมันมันมันไหลามากนั่นแล้วก็มองย้อนกลับมาหาชีวิตเราว่าเออเราอยู่เนี่ยเราจะเป็นดอกบัวประเภทแรกไหมที่ยังติดอยู่รูปติดรูปไหมเดี๋ยวนี้ติดรถไหมถ้าติดในรถยังติดอะเรตอรอยโย่ก็อีกลนะบางคนก็ติดกลิ่นขาดกลิ่นไม่ได้นะต้องฉีดน้ำอบน้ําหอม ถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะต้องมีน้ำหอมเนี่ยต้องมีกลิ่นสบู่กลิ่นเนา่น น, นนะยาสระผมกลิ่นนีนะ้เสื้อผ้าต้องเช็ดนะนำยาซักผ้านุ่มผ้านิ่มไรแี่แ้ะเนี่ยเห็นไหมปากฟันมันไม่สมบูรณ์รั่วไปหมดเนะ แก่มากแล้วนี่ขนาดฟันยังไม่ห่างนะนี่วันนี้หลวงตาไปข้างนอกหลงคําโฆษณาเขานไปเห็นป้ายเฉาก้วยทางเขา้าพระบรมธาตุาริพลชัย ชอบแฟชั่นเจ้าของคลขายผมหัวโลนใส่แว่นตาเหมือนในตวยตูนนะดำเหมือนนักปล้นนะฮะเมียมันก็หัวโลนเหมือนกันท้องคนขายเฉาก้วยเ้าอ่านดูแล้วเขาเขียนว่าเฉาก้วยที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์โอ้ตตยกู พอลงรถลงตา อ, อ่านดูทางเข้าซ้ายมือพอดีท่านทั้งหลายอยู่เมืองลําพูนไปยุยุกยุเชื่อนะเฉากล๊วยที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์พบนี้ชาตินี้หากินได้ที่นี่ที่เดียวเขียนว่โอตายพบนี้ชาตินี้นะทั้งพบนี้ทั้งชาตินี้นะหากินได้ที่นี่ที่เดียว ลุงตาก็เลยเดินเข้าไปที่ตงอถามว่ารองพ่อซื้อเ้าก้วยไหมถามเหรอนีอ่นะไม่มีใครเลยนะเดี๋ยวนั้นงตาก็เดินไปไม่ใช่ซื้อหรอกลุงตาไม่มีเงินซากบาทว่ะจนแม้แต่รองเท้าจะใส่ก็ยังดูหูมไัได้ไม่เหมือนกันเลยว่ะแต่ชอบใจชอบใจคำเขียน น, นี่บ้านี้ ถ้ามีเงินก็คงได้ซื้อแหละนี่นะเขาก็คงเข้าใจความหมายถ้างั้นผมจะถวายเลยนะครับเมีก็คงเป็นงั้นแหละว่าันก็น <c oughs> เลยได้ฉันเกี่ยวนึง2ยี่สิบบาทห <c oughs> ลงคำโฆษณาเขาเลยอุตสา่าห์เดินเข้าไปมันมีไหมล่ะเนาะอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะว่ห ก็คือเข้าไปเดือนดูเล่นๆเดา ใ, ใจหรอกนะหลังจากลงตาไปซื้อไม่ใช่ซื้อหรอกเขาชงให้ลงตาเสร็จปุ๊บโอ้ยคนมารุมถึงซื้อนะคนนั้นก็ซื้อคนนี่ก็ซื้ออลงตานับอยู่ประมาณทั้งสิบห้าสิบหกแก้วหลังจากลงตาชิมแล้วนะมันก็เป็นดันว่าเราใช้นี่เขาให้แล้วนะใช้นี่เขา ให้ตั้งสิบ6้าสิบหกลูกค้านะสามารถดึงก็ไปให้นะ่ะถ้าคือจบไปโยมพันเดินไปเห็นเอ้าหลวงตาจ่ายหรื อ, อยังโอ้จ่ายที่ไหนจะมีเนาะว่าเขาถวายฟรีแบบนี้ฉันหลวงตาถามโยมได้คำพวกนี้มาจากไหนทำไมคิดได้คำโฆษณาทามผมชอบอ่านหนังสือหลวงวิจิตวาฒการที่บอกนี่ดูดิเบื้องหลังเขาไม่ใช่คนธรรมดา นะหลวงวิจิตวาทการนะผมชอบหลวงวิจิตวาทการพวะมาณนันๆเราก็เลยเลยไ ด, ได้ได้คุยกับนักอ่านที่เขามีแนวความคิดอะไรยังไงนะโฆษณาแล้วเขาก็ทำรูปหัวโล้นเขาใส่แว่นตาดำใหญ่ๆนะ่ะใส่เข้าไปด้วยเป็นโลโก้อยู่ในนั้นท่านทั้งหลายหลังจากออกจากนี้ไปสนับสนุ น, นเขาด้วยเนะ <c oughs> มาได้มาจากหลวงตาประมาณเนะี้ย ที่เธอถวายฟรีไปวันนั่นแหละพระองค์นั้นเอาไปโฆษณาให้อะไรปนะระมาณนี้นะรถนะไม่นำซ้ำนะการที่หลวงตาไปชิมที่นั่นอาจจะมีถวายเธอด้วยนะเขาอาจจะมีตามมาถวายเธอพรุ่งนี้นี่เป็นมหากุศลนนะ รถเนี่ยรถรสติดในรถอย่าไปติดในรถเนี่ยรถรถชาติมันยากแต่นี้เรากินอะไรก็พอกินได้แต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นมีอะไรก็กินสารพัดสารเบไปได้อยู่แต่คนทั้งหลายทั้งปวงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นต้องสะอาดต้องแบบนั้นนะอาหารชีวจิตชีวใจชีวกาย มากมายหลากหลายแต่จริงๆไม่จําเป็นหรอกมีอะไรก็กินเถอะในบ้านนะนะประหยัดไว้น้อยออือโบราณเขาสอนเอาไว้วา่ากินอร่อยขี้ ก, กินอร่อยแค่ไหนก็บินขี้ไม่ได้เหมือนนกหรอกอใช่ของเขานะบินขี้ไม่ได้เหมือนนกเป็นจริงๆแต่สุขภาพดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ถามว่าดีขึ้นแล้วคุณดีขึ้นเพื่ออะไร ต้องไล่ไปอีกว่าทิฏฐิมานะราคะทันหาจางบ้างไหมที่อยู่เนี่ยหรือมีชีวิตอยู่เพื่อให้มีตัวอุปทานเพิ่มขึ้นยึดมั่นถือมันในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเพิ่มขึ้นในอัตตาตัวตนเพิ่มขึ้นถามว่าเป็นีเราไม่ได้ประโยชน์เลยนะชีวิตเนี่ยอืมกินดีอยู่ดีไม่มีประโยชน์นะ การกินแบบไม่สะสมเ่ยทำเหมือนสัตว์เหมือนหมูเหมือนหมากินจบปุ๊บจบของเราไม่พัฒนามีตู้เย็นนะมีไมโครเวฟมีโนโนมินิสารพัดกินแล้วก็เก็บไว้ไอันไหนอร่อยอรอยเก็บไว้ตัวนี้นะแล้วามากินอีกอยเงี้ยร้านนั้นมันมีเดี๋ยวเราไปกินติดนะเปิดเปิดน้ตา ย, ยังมองเลยไปบินทบาทนะ เตาเดินไปเดินไปเดินไปแถวสานต้นทงเนี่ยมันไม่ค่อยมีตลาดเลยตลาดมันน้อ ย, ยแต่ว่าชุมชนมันเป็นชุมชนที่ที่มีเศรษฐกิจดีระดับหนึ่งถ้าใครคนไหนเนี่ยตั้งตลาดนะทำตลาดเนี่ยจะได้เก็บเงินได้เยอะพอสมควรเก็บเงินเข้ามาเช่าขายของขายอาหารขายกับข้าวอะไรประมาณนี้ เขาชุมชมมนปัญหาตลาดโน่นหนึ่งตลาดโน่นหนึ่งขนาดไปเจอสุดท้ายนะร้านเล็กๆในน้น่นก็ได้ขายดีมากกับข้าวนะ่ยให้ตบข้าวขายนูน่นขายนี่อย่าฟุ้งซ่านนะอืมพูดนี่ที่ทางรวยนี่นหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่กล้าทำหลอกให้พลาดไปทำก็จมเหมือนกันเนะี่ย พคนแต่ละคนไม่เหมือนกันวันที่มันก็ซื้อของพี่ของน้องเนี่ยคนเรานะนะยังมีอีกว่าทําแล้วอร่อยไม่อีกนะอมมนุษย์สัมพันธ์ดีไหมก <c oughs> ารซื้อการขายเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างเดียวป้อแป๊บทันทีนะถ้าคุณทําดีคุณก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนดีแหล้วยังนึกว่าปล้นนะปล้นยังมีปล้นนีกนะเดี๋ยวนี้ปล้นล้านทองปล้นนันพนิสาละพัดนะอืม ประเทศไทยเนี่ยยังกะเฮตินะเดี๋ยวนี้พฤติกรรมประเทศที่น่ากลัวใน167ประเทศที่สํารวจประเทศไทยได้รับการวางอยู่ในอันดับตัวเต็งอันดับที่9ของโลกว่าประเทศที่น่ากลัวที่สดุดไม่ควรไปเที่ยวนะของอังกฤษเขาสํารวจเดี๋ยวนี้อันดับที่9นะเมื่อก่อนอันดับที่11 อันดับความน่าเชื่อถือลดถือลถลงมาอยู่ระดับที่เก้าดูดิที่เกอันดับหนึ่งอิรักอันดับสองปากีสถานเนี่ยประเทศไทยอยู่แถวแถวนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นน่ยไม่น่าจะเป็นอันดับที่สิบฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาจะอยู่อันดับที่สินะ อันดับที่10บนะไทยอันดับอยู่ที่9เหมาะสมแล้วเขาวัดรวมดัชนีตายอย่ากปกากใต้แต่ละเดือนแต่เดือนเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วเขามาวัดลองดูว่าเออมันสูงระดับนั้นนะี่ยประเทศอื่นเขาไม่ค่อยฆ่ากันตายข้างแต่ประเทศไทยนี่ตายบ่อยตายเยอะเป็นเรืองที่น่ากลัวนะเพราะอะไรแย่ง อาหารการกินแย่งถินที่อยู่แย่งคู่กันเสพสมนี่ยจิตจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่นี้ปัญหาเรื่องพลเรื่องเผ่าเผากูเผ่ามึงอดีตจะโน้อนอดีตอย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีสัญญาอนิจจามองว่ามันไม่เที่ยงมองว่าอะไรมันไม่ได้มองเพึ่งปานนั้นแต่เรามาโจมอยู่กับความคิด ความยึดมั่นหรือมั่นอดีตอนาคตจริงๆชีวิตวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปมันไม่กี่ชั่วโมงกี่เวลาน า, นาทีเดียวตายแล้วชีวิตนี่ไม่มีอะไรแต่เราก็มีศักดิ์ศรีสู้เพื่อศักดิ์ศรีไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะประเทศอื่นเดี๋ยวนี้ก็มีมีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาไม่ต่างกันนะในอินเดียเนี่ยใน นาคาแลนเนี่ยเด็กนี่ก็ฆ่ากันนะคือกลุ่มชนแยกเผ่าแยกดินแดนเนี่ยยังมีอยู่นะ<อ>เวลาเข้าไปเขาก็จะให้เข้าไปไปที่ไหนได้ไปที่ไหนไม่ได้ชนพลเมืองเนี่ยให้ไปที่ไหนได้เขาจะขีดให้ไปเที่ยวที่นี่ได้นะถ้าในงานได้นะถ้าไม่ถึงสี่คนเขาห้ามไปที่โน่นที่นี่ระวังถ้า่งนั้นก็เกิดปัญหาอะไรประมาณนี้ ในฝรั่งเศสก็ยังมีปัญหาแยกดินแดนนะในอังกฤษกองชนไอริสก็ยังมีดูดิในอเมริกาก็ใช่ว่าย่อยที่ไหนนะจนเผาเ ผ, าเผาเหลืองเผาแดงเผาดำนะจะเหยียดผีกรผิวกันบ่อยๆแล้วจะเห็นว่าเวลาแข่งฟุตบอลแข่งในไจาเนี่ยปัญหาเรื่องสีผิวเนี่ยเหยียดกันอยู่เรื่อยๆจนมาตรการของฟีฟ่าเนี่ยออกมาไม่รู้ขี่รอบนะปัญหามันเกิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นม า, มาบุคคลที่ทำได้ดีจนถือเขาถือว่าเป็นเทพพระเจ้าคนหนึ่งนเนสันเมเด ล, ล่าของแอฟริกาทำดีพัฒนาสังคมย่าจนคนยอมรับเอา้าไม่เหยียดผิวของเขานะขาวดำอยู่ด้วยกันได้จ น, น, นมีความโด่งดังและสามารถยื่นเรื่องผ่านฟุตบอลโลก บุนต่อไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้คือเกิดจากบทบาทของเขาเองอที่เข า, เาไปแอฟริกาใตนะ้นอกจากความสามารถของนักกีฬาแล้วนะคือจะเป็นแบบนั้นทั้นชีวิตนี่ <c oughs> อยู่แบบง่ายๆจะให้มันมีตัวตนภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอะไรอย่างานี้ ให้อยู่แบบธรรมชาติธรรมดาชีวิตในมุ่งหาสัจธรรมไปขณะเรื่อยๆไม่มีกูพวกกูพวกมึงพวกเขาพวกดำไม่มีผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> ไม่มีพระบ้านพระป่าอย่างเงี้ยไม่มันมีมีแต่พระของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะนั้นเอง มีพุทธศาสนิกชนนักปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ต้องนะมองทุกอย่างเหมือนป่าไม้ที่อยู่รวมกันเนี่ยป่าไม้ก็มีป่าไม้ป่าไม้สูงไม้ต่ําไม้แก่นไม้เนื้ออ่อนไม้ใดต่างเนี่ยวรวมกันแล้วก็เป็นป่าไม้ดูดีสวยงามเนี่ยถ้าจะมีไม้เหมือนกันมดคงไม่ได้คนก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะ่ย มันต่างกันไปลักษณะมันต่างกันไปแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันไหมก็อยู่ด้วยกันได้พึ่งพาอาศัยถอยที่ถอยอาศัยไม้น้อยกับอาศัยไม้ใหญ่ป้องกันไม้ใหญ่ก็อาศัยไม้น้อยกลุมทางล่างให้มันชุ่มมันเย็นตัวปรมัติสัจจะตัวสัจธรรมก็อาศัยขนมทำเยียมประเพณีในการที่จะเป็นเปลือกคอยดูแลผลไม้นี่จะมีแต่แก่นไม่ได้ต้องมีเปลือกด้วยคอยรักษาคอยดูแลแต่เวลาจะกินเราก็แกะเปลือกออกจะไปล้มกินเปลือก นะอย่า ก, กินขนมทำเนียมประเภทนี้กินแก่นอย่างเขาเอามาทำบ้านเนี่ยเอาอะไรมาทำเอาแก่นมันมาทำถ้าเอาไม้ต้นมึงยวต้นนุ่นมาเนี่ยหรือดันไปเอาต้นไม้ประเภทต้นกล้วยมาทำเสาบ้านนี่ก็ยุ่งพอดีแล้วเพราะเราไม่รู้อะไรเปลือกอะไรแก่นนั้นเราปฏิบัติทานี้เราจงพยายามที่จะชี้ว่าอะไรเปลือกอะไรแก่น ดังนั้นเราถือข้อวัดปฏิบัติอะไรก็ตามอย่าไปถืออย่าไปคิดว่ามันเป็นอันนั้นเป็นเปลือกคือมองดีๆอันนี้เป็นแก่นต้องมองให้ออกมิถีชีวิตของคนในสังคมเนี่ยถ้าไม่มีการสะดับไม่มีสุตตะนะไม่มีปรโตโตสัตะในตัวยุโดนิโสมณสิการในการลงลึกในการมองข้างในอ่ะมันจะไม่มีในจิตใจดังนั้น การกินหรือการเสพวัตถุปัจจัยปัจจัยสีนะ่เนี่ยอาหารอย่างเงี้ยก็จะติดในรูปและจะติดในรสในกลิ่นในเสียงรูปตาเห็นบางคนนะไม่แต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเขานุ่งหมนะ่มเนี่ยเขาใช้ของบรร น, นอกนะบรร น, นอกมากนุ่งผ้าคลามนะนุ่งผ้าคลามนะผ้าย้อมครามรู้จักนะเหมือนผ้ามองหอมนั่นแหละ ของง่ายๆผ้าลโลผ้าทอเอาชีวิตเขานะดูเหมือนซอมซ่อมากแต่ลงตาถามดูว่าผ้าคลามผ้าฝ้ายธรรมดาเนี่ยรานะคาเท่าไหร่ยังไม่ได้ย้อมนะคาเม็ดพันแปดเม็ดหนึ่งพันแปดร้อยดูดิลงตาว่าทำไมไม่ซื้อผ้ามือสองมือเจ็ดเนี่ยมานุ่งเอา ซื้อของตลาดนั้นเขาสําเร็จรูปเราลูกฟูกหนี้พวกยีนพวกอะไเก่าๆมานุ่งได้ตัวละ50บาท20บาทก็พอซื้อพอโน่งเอามาห่อของเน่าเฉยๆอ่ะทําไม่เอาจริงเอาจังจังนะะเขาก็จะมีนอันนี้มันกันลังสี U ูวอันนั้นอันนี้ไปดูดูนั่นนะหลวงตาบอกอ๋อันนี้มันกันลังสีไอวีกวาไม่ว่าแต่ U ูวแหละ แต่คนไม่เข้าใจยังยังอันนั้นอันนี้ผิวเป็นในงานผิวเป็นอย่างนี้นนานการรังสีแกมมาอัลฟาอะไรนั่นก็ว่าไปตามเรื่องผิวดีผิวนอนเป็นนี้โอ้จิตคนนี่จะติดอยู่กับแค่นี้อะไรประมาณ น, นั้นโยจาวัตสัตตังชีเวกุสิโตหนาวิรโยเอกาังชีวิตตังซยอลปตทันหังวดียวชีวิตนี้ถ้าอยู่แล้วรู้สัจจะวันเดียว มีอายุอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่ามีชีวิตยอยู่โจจะวัดสัสัตทงชีวิตยอยู่เป็นร้อยปีอยู่ร้อยปีถ้าไม่รู้แจ้งในอริยาศาสตร์สี่ไม่มีประโยชน์บุริยาว่าก็จริงอย่างนั้นจริงนะนะนั้น <c oughs> เราอยู่อยู่แบบไหนอยู่แบบก้าแบบไก่อยู่แบบช้างม้าวัวควายอยู่แบบนั้นเฉยๆอยู่เพื่อ บ, บริโภควัตถุปัจจัยนะ อยู่เพื่อดูถูกดูหมิ่นเยียดยามกันได้อะไรขึ้นมานะกูดีกว่ามึงมึงดีกว่ากูนะม า, านะันะ้นมึงสีดำกูสีแดงมึงมีหางกูไม่มีหงางได้อะไรไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้อะไรนะมีแต่ปัญหากับชีวิตอะเนี่ยมึงผมแดงกูผมดำไปเรื่อยนะทีนี้ดวงตาเห็น ต่อเล็บก็มีเดี๋ยนีเอา้าเล็บมันสั้นเนี่ยมันต่อออกมาอีกนะเอา้าเอามาดูดิเล็บมึงเป็นอะไรวะทานน่นทานีนาน่ไปอบรมที่เชียงรายไปดูเล็บพวกพวกแอ์โฮสเตดเขามาปฏิบัติทำโอ้หมือมันต่ อ, อยังอะไรดีนะ โอ้ยหลวงตาอาชีพหนูเป็นนี้มันก็ต้องตอถ้าไม่เสริมสวยเขาให้ออกะประมาณนั้นยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะยว่าเอามาดูเฉยเฉยนะว่ายมันคิดไปมากแล้วจิตนะดูดูเฉโอเป็นอย่างนี้เนาะตอบไปนี้ต่อบไปนั้นนะเอาไปหยิกอะไรก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าเอาไปอ้างคนได้เฉยเนะ่ ดูดีทำแรงก็ไม่ได้ทำน้นทำนี่ก็ไม่ได้มาเกาขี้เหงื่อขี้ใครก็ไม่เป็นนะไม่ได้ต่อผมผมก็ต่อสีทองออกมาอีกอโตแลว้วกลัวมันแก่ก็ทำเหมือนผมเด็กแ ด, ดงๆขึ้นมาสักหน่อยแถวนั้นแถวนี้เหมือนไฟไหม้เหมือนผมฟงผมฟางอะไรประมนั้นผมไฟอย่างเงี้ ย, ยทำทรนะงเพื่งทรงพังว่าไปตามเรื่อง เห็นไหมมันก็ติดอย่างนี้คนเห็นเขาก็มองมึงจะไม่มองกูเดียวหรือมึงต้องมองกูแก่มึงก็ต้องมองกูนะพยายามเข้าคอดลดหุ่นลถหน้าท้องหน้าเอ็นอะไรประณนี้มันขึ้นมาแล้วนี่หลังจากออกลูกมาสองคนมีมีนี่ปั้นๆขึ้นมาแถวๆนี้ต้องไปลดน้ำหนักลดต้นนี้ดูดิน่ยจิตชีวิตหนึ่งๆแทนที่จะไปลดกิเลสมันไม่ได้ลดกิเลสถามกันเท่าไหร่ได้ในนี้วุ้ยสามสิบแล้วเอวก็ อกเทไลยี่สิบเ e, มื่อสะโพกเทไลแปดสิบเลยนะก้พอดีเรากูจิตมันคิดแต่แบบนั้นชีวิตวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นก็แสวงหาเรื่องพวกนี้แหละหาสาระม่ได้ชีวิตนี่มันไม่ได้มองเรื่องสาระประโยชน์นันจิตมันจะเวียนวนอยู่อย่างเนี้ย จะให้สูงกว่านี้ให้ดีกว่านี้ได้ไม่ไม่ได้จิตมันจะเขาเรียกว่าอยู่วิญญาณต่ำวิญญาณคือผัสสะวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะนี่จะมองบนมองแบบตัวตนในความเป็นอยู่ของชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ได้มองไปไกลนะทำไปแค่นี้มันยังไม่มองเลรอเอามึงไม่อยากมองข้างหน้าจะไม่ทรงผมกูเป็นแบบนี้กูก็เหงผ้าถุงกูทังก้นนี่ ขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาถึงง่ามก้นคุณเหี้เดินไปเนี่ยอเราไม่เ้ามองหนังมันผ่านไปแล้วก็มองโอ้มันเหี้ขึ้นมาขามันนีในนอกคุณเห็นไหมเดินไปทีแรกนึกว่ามันนุ่งไม่เสร็จเย็บไม่เสร็จโยมทาไมไม่เย็บให้มันเสร็จสัป้าตุงชอบแบบนี้ค่ะขณะดพระคุณเจ้ายังมองเลยเห็นไหมเนี่ยอมันมองไปอย่างนั้นบางทีถ้าไปในกรุงเทพนุ่งแค่นี้ แต่ว่าเจตัวมันจะครับๆหรอกแล้วมันเดินมาจับๆไปขยับไม่ได้ลงตาไปที่ธรรมศาสตร์มันก้าวแรงไม่ได้กลัวฉีกเน่ยนะนะมันถุงมันสั้นนี่นี่ไม่กล้าก้มลงเลยนะมันก้มลงก็ไม่ได้นะนะเลยสังคมนี้ถ้าพระเดินธรรมชาติธรรมดาก็ไม่ได้เหมือนไม่สัมรวมจะดูนั่นดูนี่ไปเฉพานะไรพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างนัง้นไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะ เสื้อของเขาก็เหมือนกันเขาก็ทำอย่างนี้ลงมาให้มีอันนี้ดึงดึงขึ้นมาหน่อยเอากระดาษยัดข้างล่างให้มันหอ่อหอเข้ามานะให้ดูดีประมาณนั้นดูดิถ้ามันยังไม่นันกน็เอาฟองน้ำใส่เข้าไปดันทางนี้ขึ้นมาทางนี้ใครกยกส่งมันขึ้นมายกส่งขึ้นมาถ้าไม่มีเลยไปซื้อไอ้ที่มีเหล็กดันขึ้นี อันนี้นั่งทางในนะไม่ได้ไปเอบดนูนะนั่งนั่งทางในดูบางทีก็ในเสื้อน้อยมันอนะ่ะก็มีฟองน้ำฟองน้ำใส่ให้มันออกมาอีกอันหนึ่งชั้นหนึ่งฟองน้ำใส่อย่างดีนะลวงตาเพิ่งเห็นนะเอา้าตายลวงตาว่า เสื้อเวลาเขาตากเดินไปดูผ่านไปเนาะมีหมอนด้วยในไหลเนี่ยอา้าวมีหมอนอีกต่างหาหมอนน้อยสองข้างโอ้มันจะแบกอะไรกันนักกันหนาเนอะเนี่ยดียถามว่าเฮ้ยเสื้อมึงทำไมเป็นอย่างนี้เนะ่ยมัลงตาอันนี้มันยกไหลเขาเนีโอ้ยสรุปก็คือปลอมหมดนั่งเมือตัวนี่ไปนะเอาไว้หลอกคนโง่ไปหลอกคนโง่เ้เนไะย ใส่ไปทำไมเยอะแยะจังนะี่ยพวกนี้ก็ยกขึ้นยกขึ้นในแต่เอียวนี่ปาดออกตัวนี้ไม่ให้มีนี่ไม่มีเอาสันส้นๆสะดือนี่ไม่นํ้ำส ม, มอไม่อมองแนละ้วเปิดขึ้นขนานดะนี้ก็ใส่จิงจกเข้าไปปลาครับเข้าไปเนี่ยนะข้างบนนี้ก็เหมือนกันข้างหนึ่งลงตามองไปเอ้าแมงปองกัดนมมึงอนะมไปใช่สกักใส่ลงตาสากักเอ้าว่าแมงปองจับนาะนะ เหมือนไม่สํารวมนะจริงๆเห็นมันคาบอยู่ตรง น, นี้นะนึกว่ามั น, นก็บอกเขานะแต่ว่าโอ้สังคมทุกวันนี่มันมันยากเห็นบอกแดนเซอร์มาปฏิบัติธรรมนะขาพวกนี้สักรวดหนามลวดหนามที่เอาล้อมลัวนี่นะมันสักพันขามาขึ้นมาแ<ม>ดนเซอร์ของทีวีนะช่องไหนไม่บอกแล้วมาปฏิบัติธรอาชีพเขาไปถึงน่นนะ่ะ เขามีหมดมางทีมาปฏิบัติธรรมในวัดมันไปเห็นตุ๊กแกนี่ของข้านะของข้านะอะไรประมาณนะั้นตุ๊กแกมันมีเยอะมันพากันแย่งจับเอาคือมันจะไปเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนโอ้ยลายสวยกว่าที่บ้านอีกลายมันสวยกว่าที่บ้านที่บ้านลายมันไม่ค่อยสวยเขาจะขอตุ๊กแกคนละตัวละตัวเขาเห็นนะผู้หญิงนะ เขาชอบไปแบบนั้นเนอะเดี๋ยวนี้อะไรวะนั้ น, นชีวิตเราตั้งแต่เกิดมามีไม่ยกขึ้นจิตยกขึ้นอ้าวเริ่มปล่อยละเริ่มวางละให้มันเบาให้มันบางชีวิตเนี่ยแต่ชีวิตหลายคนนะเขาสลัดพวกนี้ได้เป็นชีวิตที่ง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยพิถีพิถันกับอะไรกินอะไรก็ได้นอนอะไรก็ได้แล้วทำไมาอยู่กับโยมพ่อนี่สะดวกสบาย นะสบัยยังน้อยเนี่ยแต่ก็ะน้ำตาไหลเนีบางทีนะเพราะโกโรธไงแต่ไม่นึกว่าแกสอนดีสอนดีเคยกินอะไรน้อยๆมีอะไรกินก็กินไม่มีก็กินก็อดเอาตอนกลางคืนไม่ได้กินเลยกินข้าวเปล่าๆก็มีนี่นะสมัยโบราณเนี่ยแกงหอยเคยแกงหอยไหมกินแกงหอยไหม พระคุณเจ้าฉันข้าวกับอะไรตะมกะภาพกินข้าวกับแกงห อ, อย น, นะ <c oughs> แต่เขาไม่พูดว่าแกงหอยนะบอกแกงที่รักจูเป็นว่าเล่นละ่ะพระไม่ควรจูบนะพระนี่อยู่บนนั้นจูบหอยหมดคือจนหมดนะจบูบเขาให้จิ้มเอาแทงเอาเนี่ยแต่พระกอดไม่ได้น้ำอร่อยมันไม่ออกมา <c oughs> ถ้าไม่ให้โจูบก็ามาถาวายดิแบบว่านานะถ้ามาถาวายก็จําเป็นเนี่ยท่านนี้คงไม่มีละเมงนะ <c oughs> เคยกินไม่แกงหอยทางเหนือนี่เออเคงหอยพอกินแกงหอยเสร็จปุ๊บพอเก็บเอาไวา้ตัวมันเนี่ยตัวมันเก็บเอาไว้หน่อยต้มต้มใส่เครื่องปรุงเครื่องอะไรเอาข้าวตําใส่พนระิกน่ะยัดเข้าไปในรูมันใหม่แล้วไปแกงอีกอดอยากมากไม่มีแล้วโจบใหม่รอบหนึ่ง แล้วก็เหลือไว้อีกตัวมันน่ะเหลือวันไหนไม่มีกินก็ต้มแบบนี้แหละก็หลอกเพลินตัวเองไปวันวันหลอกเอาความอร่อยเนี่ยนั่นจิตมันก็เลี้ยงอยู่แบบนี้อต่นี้ก็ถือว่าผิดนะไม่ได้ฆ่าสัตว์และแต่ก็ผิดติดในรูปในรสอยู่อย่างเงี้ไปเรียนหนังสือไปโน่นไปนี่หาเอาอยากได้อาหารอะไรไปกินคุดเอาวันวันหนึ่ง ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกลับมาเป็นนักเรียนเนี่ยเห็นควายมันขี่ปัปัปัปัเอาใบไม้ไปปกปเป็นขี้ควายกูนะเนี่ยมึงอย่ามายุ่งนะห้องนี้กูจะมาขุดนะขดจี่จะเข้านะตัวเนี้ยเตรียมไว้ชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขนะแต่คิดแล้วก็จบไปกับไปมีอะไรนก็เง่ายๆบางทีไม่มีอาหารการกินสมัยก่อนนะปลากระป๋องเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องอันเนี่ย องใหม่แต่ก่อนจะกินปลาที่เป็นปลาไหลก่อนนะไม่ใช่ปลากระป๋องเล็กไปพอเปิดแต่นาที่มเหม็นไปทั้งสามหมู่บ้านทั้งทีสามลังคายกออกมาเอาปั้นข้าวเหนียวมาปั้นข้าวเดียว เ, เอาจับตัวมันมาพาดสักเอาใบหอมใบผักบวมาพาด พระในนี่พอพูดมาก็ะจะน้ำลายไหลนี่พวกนี้วิ ญ, ญญาณอยู่แถวๆนั้นนะรู้ว่ามาจากบ้านนองอีสานนจะคงจะเคยนะคงไม่มีลอกลาบไก่ลาบไก่เนี่ยคงจะไม่มีหายาถ้าเหนือนี่ก็เหมือนกันนะทั้งม้งทั้งเม้งทั้งกะเหลี่ยงนุง่นจะได้กินลาบชิ้นควายลาบชิ้นเขาจะชอบพวกนี้ถนนก็นเอาแคนั้นก็พรอนนะแต่พวกก็ต้องถนุถนอมตัวใหญ่ๆ ใ, ในฉีกไม่ได้นะ เขาเรียกปลาร้าไงปลาปลาแดกวันก่อนในนี้เห็นปลาในากระสังเขาเลี้ยงวันตายเพราะเขาย้ายไปรุ่นตามเขาจะไปฝังเป็นหฮย้ยจะไปทางฝังวะของเน่าของตายแล้วจีได้มันนะอ่ะอดีกว่าจะไปซื้อของในตลาดไหนดูดิโอ้เมนระดับนี้พอใช้ได้เยอะหรอกว่าพี่ตาบอกพอเธอไปทอดซะ แล้วไเลี้ยงนักปฏิบัติธรรมามาแต่หลวงตาไม่เอานะไม่หยิบไม่เอาเนี่ยที่เธอฉันแต่ละวันนี้ก็นี่แหละปลาเ ม, ม่นเหม็นในสะนี่แหละที่เขาเก็บมามแต่เขาก็ไม่ได้เจตนาเจ้าของเขานี่จะเป็นเอาโน้นเนื้อกิง้งเนื้อกวางเนื้อหมูป่ามาเลี้ยงเรานอะ ด, ดูดิอาหารแต่ละวันก็มาถามหลวงตาตํหมูฉลามไมวันนึงโอ๊ยไม่หรอกวะหมูปลเข่งนี่แหละว่ปะปลาเข่งอยู่ในเนี้ ที่เหม็นๆเน่าๆนี่แหละเลี้ยงก็ไปอแต่ผู้เธอเขาจะไปพูดใ้เขาฟังดิป่ะว่าซื้อมาจากตลาดกิโลละเท่านั้นที่ว่าไปมันงงๆเองหรอกพวกนี้เ น, นี่ยในรูปในรถในเสียงเนี่ยเขาก็ทอดแล้วก็เอาจาอ้างเนี่ยวันนี้เขาก็ยังเก็บขึ้นมาอยู่นะนะทานไปเถอะเมนูเมนูเด็ดนะแต่ปลานี่ลุงตาบ อ, อกเอาไปทำปลาล้าหน่อยดิแทนที่จะทิ้งไว้เนี่ย ปาหมักปลาอะไรานีจ้าเนี่ยลงตาเคยทำปลานี่แหละที่เขาใช้ทำปรากฏ ว, ว่าวันนี้เขาก็ทาลงตาเลยไปดูไปดูที่เขาทําให้เขาใส่ไย ใ, ใส่อะไรให้เลยนะีะพี่สาวเขาทําให้ทาไว้ปีหนะ้าค่อยกินปีน <c oughs> ี้ไม่ได้กินนะ่ะหมักไว้เป็นปีเลยนะหมักไว้เป็นปีนะไ็ได้กินใครสนใจปีหน้ามานะ ไม่ได้เอาไม่ได้มีน้ำยาไม่ได้มีอารงอะไรนะเอาไว้กินไว้เดิมเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรอ่ะนะทิ้งไปฝังไปในดินก็เป็นธาตุ ส, สีจมไปเอามาปรุงอาหารทำรนู่นนี่เกิดไปทำเรื่องก็ง่ายๆชีวิตนั้นเราทั้งหลายก็จะเป็นนึกถึงอะไรให้มันมากนะเอาธรรมดาธรรมดานี่แหละอยู่บ้านอยู่เรือน มีกินก็กินไม่มีกินก็แล้วไปนะง่ายๆสมัยก่อนอย่างที่ว่านะหลวงตาในป ร, ราตัวหนึ่งเอาใส่ปั้นข้าวจำเอาพริกบ้างมาจะจำจำจำถ้ากินไม่หมดเอาไปใส่สห้ไว้อีกนะว่ามันไม่กลับจากโรงเรียนมาดึงออกมาอีกจำชนว่านะ เป็นเรื่องน่าสงสารสังเกตว่ามันมีหนอนตัวหนึ่งจนพร้อมเนะี่ยมันหลีคําข้าวเรา <c oughs> มันคงหลีกซ้ายหลีขวาจนนั้นเราจ้าไป <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้เจตนาก็าเห็นเราก็คงมเมนต์นั่นแ่ะนะไม่ได้เปิดไม่ได้ฉีกเสียทีแต่ถ้าไปหมกไปปิ้งไปอะไรเน่ยก็น่าจะดีไปแบบคือ <c oughs> เอาพออยู่ได้ไต่ยังไงแต่ชีวิตแบบนั้น ไม่ได้มีกินอะไรดีนะไม่ได้ทอดไม่ได้แกงอะไรแกมีชีวิตมาจนถึงวันนี้มานั่งอยู่นี่ก็เป็นผลผลิตของปราตัวนั้นมาสอนโยมได้ไงแล้วชีวิตโยมโยมเนี่ยกินอะไรดีๆมีอะไรเยอะๆสวมเพชรสวมทองสวมนนสวมนี่เห ม, ม, ม, มือนลูกหลานโยมเกิดมามีเงินมีทองมีข้าวมีขอ ง, ข อ, งอยู่ดีกินดีสร้างสรรอะไรให้ประโยชน์กับสังคมได้ไหมยกจิตวิญญาณได้ไหม นะตรงกันข้ามบางทีนะบางคนถึงปัจจุบันนี้ยังเอาไม่อยู่เลยอะ่นะยังควบคุมมันไม่ได้เลยอะ่ะมันจะเกิดการเลี้ยงตามใจปากตามใจตาใจหูใจใ จ, จมิกมันเลยไม่เคยเห็นทุกข์ไม่เห็นเคยเห็นชีวิตไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมการใช้จ่ายเงนินมางทีก็ไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นคุณค่าของเงินของทองนะยากมาก ลุตงตาไม่ใช่ชีวิตร่ำรวยนะจนนะสมัยก่อนอา้าพศสองพันห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดพนเนี้ยไปเที่ยวงานวัดงานวาได้เงินแค่ห้าสิบสตังค์หนะ้าสิบาตังค์นั่นก็ดีใจเทียบตายแล้วห้าสิบาตังค์มันเหรียญใหญ่นะสมัยก่อนนะ ขายมะขามเปียกบ้างขายจักระจันบ้างอะไร ไ, ได้เอามาใส่เสื้อยืดแล้วก็ยางรัดไว้เวลาจะไปควักซื้อกินแก้กออกไม่ได้แล้วมีดตัดออกจนเป็นรูเผื่อจะให้เอาไห้ทั้งเสื้อด้วยซื้อห้าสี่สิบตังค์ผลส้มผลอ้อยเขาขายมาให้เป็นรูโวหหเลยทีนั้นบางทีมันรัดมากก็เลยเพราะแต่ให้เขารู้ว่ากูก็มีเงิน น, นันเอ มัดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ซื้อนะมาเฉยๆประมาณนะนั้นเนี่มันมีความบททนคือบรรยากาศวิถีชีวิตมันมันช่วยเซฟไอความรู้สึกตั้งหยตั้งปว่ที่ความอยากของอะไรออกไปเนยได้แต่ปัจจุบันนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้มีอินนางอะไรที่มันให้คนยืมเงินประจำนะเนี่ยเดนี้น่ยอีออนใช่ไมนั่น อิออนนะหลวงตาได้ยินนะครูบาโอนั้นมาบวชไว้หลวงตาผมเป็นนี่อิออนเมือนกันนี่นั่นก็อิออนโอ้อีข้างนางนี่ทําไมมึเงินเยอะจังเนาต้องใช้นี่อิออนอิออนอยู่นั่นนะดูดิมันเอาไปโม้เลยขอแต่มีคนอยากขี่รถเลยไปที่โน้นที่นี่เห็นป้ายเงินติดล้อเงินติดล้อใครมีใครสนใจอันนั้นริดทิง่งอันนี้ก็ลิดทิง่งอยากได้ไ่ะ ขอแต่อยากได้ไปขอเบิกเขาเลยเขาให้เลยฉั้นมันเป็นการส่งเสริมความอยากของมนุษย์มากเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็เลยไม่ได้ค้นคว้าเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำที่ตัวเองมีอยู่ความสามารถตัวเองไม่ได้ออกมาแต่ว่ามันวิ่งเข้าสู่กระแสะหมดเลยเพราะมีให้เอาอ่าที่ลงตาว่าไปแล้วโครก็มีสหกรณ์ยืเยืมยืมยืมยืมยืมยมนั่นคู่เป็น สังคมเดียวในโลกของประเทศไทยนี่ที่เป็นหนี้มากที่สุดเพราะมันมีอะไรให้ยืมเยอะแต่อัตราการเพดานเงินเดือนของครูไม่มีที่สิ้นสุดสูงมากสี่หมื่นห้าหมื่นขึ้นไปเยอะย ม, มากครนะูแต่ก็ไม่พอใช้ครูไม่พอใช้มีอะไรให้ยืมคูยืมมนะีมีให้ยืมยื ม, ยมบียด ใครไม่มีพอยืมไปขอสิทธิ์เขายืมอีกอะไรประมาณนั้นนะยืมแม้กระทั่งเงินในนะอนาคตเงินชาวพนักกิจสงฆ์ก่อนตายยืมมาหมดเนะีนะ่ยคุ้นวายไหมเห็นเงินเป็นใหญ่ปัจจุบันนี้แม้แต่เรื่องของชาวพนักกิจพระตายอย่างเงี้ยพระสงฆ์เขาเจ้าตายทางอัตมาอยู่นู่นหรอกพระตายในอำเภออืแต่ก่อนชาวพนักกิจเป็น เป็นตำบลขยับขึ้นมาเป็ น, นำ อ, อำเภออำเภอนี้ต่างพระองค์ไหนตายแต่ก่อนเกิดกันสองร้อยเดี๋ยวนี้เขาบังครับพระสงฆ์แต่ละวัดเสียสามร้อยบาทค่านาชานักกิจนะขอที่บวชเป็นพระสงฆ์เข้าไปนะเขาเอาเลยนะเราจะเข้าไม่เข้าก็ตามนะมันอยู่ยากดี๋ยวนี่ไม่มีเงินเสียค่าชาปน ก, กิจว่าจะศึกอยู่นี่ มันไม่มีเงินทำไงเนาะอยู่มันแบบอยู่แบบบังคับตลอดเวลาชีวิตเนี่ยโครงสร้างทางสังคมมันบีบไงเดี๋ยวนี้ขยายไปจากอำเภอะจะเป็นจังหวัดแล้วทีนี้จังหวัดหนึ่งเดี๋ยวเขานังสือมาแล้วเก็บเงินศพหนึ่งแล้วสองศพคือมันวิ่งเข้าสู่กระแสสังคมทําแบบขลาวาดไปหมดนะเน่เน โอมเนี่ยถ้าพระตายในนี้พอมีเงินเผาบ้างไหมมีไหมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเผาได้ไหมเนื้อภาคนได้อยู่นะเป็นเจ้าภาพสักคนหนึ่งไปซื้อฐานมาพอจะเล็กสโนยรู้จักว่ามันก็นม่าอยู่มันไม่เท่าไหร่หรอกเราไม่ต้องการยาราศฐานบรรษัทแห่งไม่ต้องไปเช่าเมรหลวงมาหลอกอันนียตายธรรมดานี่แหละนะไม่ต้องเข้าโกรธเข้าไหา้อะไรหรอกเราฟังก็ได้ นะเป็นถือเป็นธรรมชาติไม่ต้องให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีอะไรแล้วหรอกทำงานเพื่อสังคมก็จริงแต่เราไม่ได้หวังเพื่อแบบโ น, น้นนะเหมือนสุดท้ายของหลวงพ่อพุทธทาสันตายตะว่าโอ้ยอย่าขอพระราชทานนะขอนน่นนี่เผงเวลาเผาก็เผาเลยนะก็ไม่มีประโยชน์ได้ลอกตายก็คือตายอะไรประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะ่ะแต่ละวัดแต่ละว่าแต่ละนน่นนี่ทำไมต้องเข้าระบบ อา้าวถ้าไม่เข้าเหร อ, อน้าทำหนังสือเรียกตัวมาตักเตือนจเจ้าวาดวัดนี้พระสงค์วันนั้นถือว่ากระด้างกระเดืองต่อผู้ปกครองเหรอกิจกรรมไม่เข้าร่วมบ้านร่วมเมืองเ้าเหรอดูดิมันมีผลไม่มดเนะียมันใครอยู่ยากนเนี่ยมันขยับกิจกรรมทางาศาสนาที่เป็นสาาัจธรรมเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ง่าย มันต้องอยู่เป็นแบบนอกจากเป็นพระป่าแล้วอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องพัฒนาไปสู่เป็นพระป่าเถื่อนอีกด้วยนะ <c oughs> เพื่อไม่จะอยู่แบบถูกกฎหมายไม่ค่อยได้พระดีไม่มีที่อยู่ไม่มีวัดอยู่ถ้าวัดดีก็จะไม่มีพระอยู่วัดดีไม่มีพระอยู่พระดีก็ไม่มีวัดอยู่มันไม่มีที่อยู่วัดที่อยู่มันไม่มอ ย, อ ย, อยู่ไม่ได้แล้ววี นะแต่พวกเราไม่ไดหมาว่าเราเป็นผ้าดีนะอาจจะ้าไม่ดีจึงไม่มีที่อยู่ก็ได้นะมันยากลาบากแต่สังคมปัจจุบันนี้หลายๆให้คนเรายอมรับนะญาติโยมเขาดาเนินชีวิตดีกว่าที่เป็นคราวาสเนี่ดีกว่าพระสงฆ์เขามนะีบางทีเขาก็เหนื่อยหน่ายที่จะนับถือพระสงฆ์เพราะพฤติกรรมเพราะอะไรจ้เนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้ น, นหลายๆคน ปฏิบัติทาถึงขั้นมีภูมิธรรมได้มักได้ผลก็เยอะแยะไปเป็นอริยะบุคคลนะคุละวาดญาติโยมนะพบเนะี่ยไปพบที่โน้นที่นี่นะมันตรงกันข้ามกับฝ่ายสมณะกับพระสงฆ์พระเจ้านะส่วนมากก็จะยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆในคุณธรรมวันนี้จริงๆน้องตาออกไปเนี่ยที่ไปพบชาวกล้วยเนี่ยจริงๆ ลุง้าไปหาดูสำนักปฏิบัติธรรมในลำพูนนี้เฉยที่นู้นที่นี่มีที่ไหนบ้างอยากไปดูเขาถ้ามีพระธาตุพระธาตุแล้วก็จบละไม่ไปก็ได้ อา้าก็แสดงว่าลำพูนเราดีเอาดีไปซะนะมีที่โน้นมีที่นี่นะ้นงะ ต, ตามไม่ได้ไปไปเฉพาะที่ที่คิดว่าควรคิดนึกอกออกเฉยๆนะไปวัดโน้นวัดนี้ไปดูวัดที่คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มา สะเดาะเคราะห์อะไรไประมาณนั้นมาทำโน้นทำนี่ไปไปดูเขาไปดูเฉยเฉยหรอกไปเล่นๆนะตามเรื่องถ้ามันมีอย่างโยมว่านะโยมก็พยายามไปหาปฏิบัติทำบางเทะนะอย่าให้มีเฉยเฉยมีก็เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการมีนะขอให้เอาไปใช้เป็นที่พึ่งไปไปฝึกไปหัดไปปฏิบัติ แต่ยิงไปเพื่อจะได้คุยกับท่านด้วยอะไรด้วยแล้วเขาจะมาบอกโยมมาโยมไปปฏิบัติธรรมที่โน้นนะไปปฏิบัติธรรมที่นี่นะนะในนี่ก็มีที่ปฏิบัติธรรมนะที่โน้นคนหน้าไปปฏิบัติที่นี่ก็หน่าไปปฏิบัติอะไรประมาณนั่นแนหะก็อยากแนะนําอย่างเงี้ยท่านเองหลังจากหลวงตาไม่อยู่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นไปต่อนะที่นั่นที่นี่คือให้สนาหาสนามให้อยู่แบเนี้ แต่เพราอิญว่าไปที่นูนที่นี่ก็ยังคือยังไม่เข้าตาก็าเลยยังไม่ได้มีแนะนําแต่คิดว่าโยมคงเห็นอยู่แหละที่ไหนคงดีเขาคงไปเองนะดังนั้นได้หลายคนทั้งโลกเนี่ยเขาปฏิบัติทำดีพระสงฆ์ข้าเจ้าในในแถวแถวนี้ก็คงดีเยอะนั่นแหละเพราะว่าเมืองมันไม่ใช่ น, น้อยกนะว้างขวางมาก มันใหญ่ขยับออกไปหน่อยถ้าวัดวา่วาวัดที่ดีๆส่วนมากก็จะอยู่นอกนอกเมืองหน่อยถ้าในเมืองก็หายากลําบากเพราะกิจกรรมแบบนี้มัหายากพระกรรมฐานดีแบบหลวงปูดด่ดุลอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเมืองสุรินอย่างเงี้ยอมืมันจะหายากบุคคลแบบนั้นนะส่วนมากก็อยู่ในที่ ท, ที่ท่านสงบสงัดวิเวกอยู่แถวหัวเมืองชายเมืองอะรีร ไปศึกษาไปปฏิบัติดูไม่จาเป็นต้องมีสถานที่ใหญ่ที่มากแต่ไปสดับพระธรรมคำสอนของท่านอยู่ด้วยคลุกคลีด้ว ย, ยมีการงานมีวิถีชีวิตที่สะอาดและไม่เกลียดข้านมีจริยวัตรปฏิบัติได้เหมาะสมไปเจอกันเห็นกันทีแรกยังม่วัดไม่ได้อะคนเน้นน้ำภาษาลายโยมอยู่ข้างนอกแล้วจะมองพระสงฆ์ออกะยาก อา้าวตั้งใจสร้างจังหวะดีๆนี่ดวงตาเฝ้าอยู่ในยังยากลำบากถ้าปล่อยกลับบ้านนี่ยโอ้ยจบพอดีเลย <c oughs> วิถีชีวิตของนักปฏิบัติธรรมนะมันยากยากที่จะให้เจริญสติให้มันต่อเนื่องจนเกิดปัญญาเนี่ยอันนี้เรามีวิถีชีวิตที่มาอยู่ในกรอบมนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ <c oughs> ทำให้มันต่อเนื่องนะให้มันลึกลึกรูกก้มันบอกบอกถึงคนมีวิถีชีวิตแห่งความเพียรพยายามนะนึงในรูปแบบข้างนอกนะส่อแสดงถึงรูปแบบข้างในปานั้นะองค์คุณธรรมของนักปฏิบัติธรรมถ้าเดินอยู่ในวิถีก็คือมีศรัทธาศรัทนะธาโสตาปฏิยังฆะองคุณธรรมของคนที่ ที่รู้จักสติแล้วะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนี่หนึ่งมีศรัทธาสองมีศีลสามมีเฮลิโอตปะสามมีวิริยะอืมีพระหูสัจจะมีจาคะมีสติมีสมาธิมีปัญญาด้วยนะเจ็ดประการแปดประการแต่ตะคนไม่ได้สติเลยมไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําแล้วได้อะไรได้ไประโยชน์อะไรก็จะทําบ้างไม่ทาบ้างไปตามเรื่อง นั้นใส่ใจเอานะใส่ใจเอาทำเพื่อนหลอกกินข้าวเขาไปวั น, ว, นวันจบครอดไปกันแล้วไปท่านั้นเองนะก็ได้ประโยชน์แค่นั้นนะนะก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายก็ยังดนะีให้หลายหลายคนนะมาที่นี่ตั้งอัวตั้งใจดีอะ่ะนะตะลอดจนคนที่อยู่ข้างนอกสภาวะจิตที่ที่มันมองเห็นแบบนี้แล้วมันอยู่สูงสูนในบางทีเขาก็เหนื่อยหน่ายสังคมเขาก็ไปอยู่ตัวคนเดียวเขา อยู่ตามดีสอดอยู่ตามสวนธรรมอยู่นู่นอยู่นี่หรือเขาไปปฏิบัติธรรมที่โนดีมาก็เข้าใจธรรมะเหมือนหลวงพ่อเทียนที่ท่านปฏิบัติธรรมหรือเหมือนกอเขาสงสวนหลวงเนี่ยไม่ชีกีนะที่ราชบุรีนะปฏิบัติธรรมเขาก็เข้าใจนะสามารถพึ่งตัวเองได้นะเรียนรู้มีคุณธรรมออกมาจากจิตของตัวเองได้วิถีชีวิตของความ เข้าใจในทุกเนี่ยแจ่มแจ้งดีพวกนี้นะถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมขั้นขั้นสูงนะไม่หมายว่าจะมีแต่ในพระสงฆ์อาเจ้านะจะมีในพระเหลืองนะผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำผ้าเขียวก็มีนะอันเนี้ยหรือแม้แต่ไม่มีผ้าก็ยังมีนะ คนที่ถือถุงขยะตามริมถนนนะหนูตามไม่ได้ดูถูกว่าเขาไม่รู้ธรรมะคนไม่ได้เสียงจังหวะไม่ได้เดินจง ก, กลมก็ไม่ได้หมายว่าเขาจะไม่รู้ไม่เข้าใจนะนะเวลาเราสัมผัสกับเขาอยู่กับเขาเราจะรู้พัญญารู้ได้โดยการสนทนากาันคุกคีกันเฝ้าดูแต่นี้ดูออกใครเป็นยังไงเพราะมาอยู่ด้วยกันหลายวันนะนะใครเข้มแข็งไม่เข้มแข็งใครพัฒนาไม่พัฒนา นะกลับไปนี้ใครจะแดกเหล้าอีกไม่แดกไงประมาณนั้นะนะลองดูนะโยมไหวไหมฝึกสติดีๆแล้วนะใ บ, บย ม, มุกทั้งหลายไม่มีนะนะการกินเหล้าการสุบบุรีจะไม่มีกับคนปฏิบัติธรรมคือคนเข้าใจชีวิตระดับหนึ่งแนละ้วสิ่งเสพติดเขาไม่เอามาใส่หรอก เขาไม่ทำลายตัวเองอจนกระทั่งขยับไปถึงเป็นเรื่องของการติดในรสชาตินะเรื่องของกาแฟเนี่ยก็หายด้วยซ้ำไปของดีวัดสมนั้นไม่มีกาแฟนะคนปฏิบัติธรรมอะไรที่มันบังคับจิตที่มันติดในรสอยู่บ่อยๆมันขาดไม่ได้นี่ต้องกินบ่อยๆ อ, ยอะ่ะเป็นสิ่งเสพติดนะอาจจะไม่มีสารเคมีคาเฟอีนไม่มีอะไระแต่มันติดในรสในชาตินะ อะไรที่บังคับจิตให้เรายึดติดเนี่ยไม่แต่ข้าวเราอย่งกินมื้อเดียวเลยกินนน้อย น, อยนะเอาที่พออยู่ได้เท่า น, นี้เองนักภาษาอะไรเรื่องไม่จาเป็นข้างนอกแต่บางคนก็จะติดลองดูดิกลับไปฝืนเป็นไหมเอากิเลสหยาบๆนี่แหละติดเครื่องสมองสมองเนี่ยสลัดได้ไหมติดเครื่องประดับตบแ่งเนี่ยวางเป็นไห ม, มเคยบริโภคอะไรไม่พวกแบรนด์เนมสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคสูงๆเนี่ยไหวไหมทิ้งลงให้มันลดเหลือธรรมชาติธรรมชาติธร ร, าตธรรมดานาให้มันเบาซะกายเบาพอกายเบาแล้วสามารถนําไปฝึกจิตได้ทีีน้จิตมันไม่พลงพลังไงดังั้นเขาให้ตัดเครื่องประดับตกแต่งการกินการอยู่แลก็นุ่มีศีนแปดไงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคือสินแผ่นเครื่องวัดจิตวัดความสามารถคุณจะปฏิบัติธรรมคุณอจะกินเข้าเย็นไหวไหมเนี่ย ไม่กินข้าวตอนบ่ายตอนเย็นเพราะมันไม่มีสาระไม่มีอะไรหรอกเนี่ยหลายคนนะไปปฏิบัติทําอยู่บลงตากลับไปเขาเลิกเลยนะกินข้าวตอนเย็นเนี่ยเลิกเลยกินข้าวเช้าข้าวเพลนเขาก็พอแล้วใหนะม่ๆก็ฝืนหน่อยแต่ทำไปสักพักเขาก็เคยตัวเคยชินเอ้าหาข้าวให้ขอบให้คว้าผัวเมียกินแต่เขาไม่กินนะ่บางที ทำใจได้สบายได้มันง่ายๆไม่โก้ไม่รู้อะไรลดลากเอาพ่ออยู่พ่อไปพ่อมาเงินทองพอมีเอาไว้ใช้ยื่นเพื่อลูกเพื่อเต่าเราเรียนหนังสือนังหาเก็บไว้เพื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมดหาหมอเนี่ยเนะพราะถ้าเราไม่มีเงินไปหาเขาเขาไม่ค่อยรู้จากเรานะหมอนี่ย อย่าคิดว่าเขาจะรู้จักนะโดยเฉพาะถ้าไปเจอพวกพยาบาลแก่ๆเนี่ยอยมันดุยังอะไรดีนะนี่มอนน้อยเงี้เราก็เออครับครับครับครับ่อยๆไปมันพูดตะโกนมานะี่พวกพยาบาลแก่ๆอยู่หน้าห้องมอนนะมันมองตาไปหูหลบหลายครั้งนั้นต้องค่อยๆไปนะกลัวมันนะมันดุ เพราะมันเป็นโรคไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยมันไวทองมันเป็นเหมือนกันหมดแหละอย่างเสื้อใช้อยู่นั่นแหละผ่านมันผ่านเลยนะคิวเรามันว่ามันผ่านแล้วนี่มันนั่นถ้ามีเงินไปไปติดไปเนี่ยเงินนั้นนี่เงินนั้นนี่มันก็จะโอ้นี่มลค้านี่มลขาดดีพราคุณเจ้าอะไรมาณนั่นแต่มันติดหวยฝันดีไหมค้าอะไรมันชอบซื้อหวยหรอกโรงพยาบาลแก่ ถ้าเรามีอันนี้ไปมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยบางทีเขวิ่งหาเอารถอะไรมาเบืออะไรค้าทะเบียนมันอยู่ในนี้น ะ, นะมันมโมยังหลอกเราหลอกได้แบบง่ายๆอยู่นะถ้ากิเลสมีนี่หลอกได้มดน่ะจิตใจนั่นเหลายคนนะลนตาพูดมาเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงพยาบาลทั้ง น, น, นู้นนะด่าพวกเรานะอ้นี้ด่าพวกเรานี่แหละนะ พวกเรานี่ยแหละมันอยู่ในพวกเรานี่ยแหละสะดวกไปหมดนะเดี๋ยวนี้สบายแต่ก่อนสบู่ล้างตาเขาไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้มันมีแบบเป็นน้ําเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ถูถีอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้บิด <h ums> จะแล้ประมาณล้วก็ไปเลยอ <h ums> ทําให้คนโง่เพิ่มขึ้นอ๋อชีวิตอันนี้ะอืม <h ums> แต่แต่แต่ไอความโง่ของมนุษย์จะมาอีกแล้วนี่ไปเห็นความสะดวกสบายเป็นนมมดเลยแหลนะน <h ums> มันไม่อดไม่ทนนะ่ะแต่ถ้าอดได้ทนมันมีมันไม่สะดวกไม่สบายหลวงตามีพระองคหนึ่งนะนะมีหลวงปู่อยู่ที่วัดนะชื่อว่าสังทอ ง, งอยู่ที่วัดนะซื่อเพลาะมาก ไปต่างประเทศด้วยแต่ก็ไม่รู้อะไรหรอกท่านก็ไม่รู้อะไรลอนตาเขาไม่ค่อยรู้เหมือนกันแหละไปแต่ไปต่างประเทศหนาวต่างประเทศเนี่ยแต่ท่านก็อยากไปลูกหลานท่านก็มีเงินมีทองให้ไปเนะาะครื่องบินไปอดทนมากอเวลาเขาห้องโร ง, งแรมห้าดาวเขาเขียนโรงแรมห้าดาวนี่โรงแรมห้าดาวนะวะเขามาเนาะ นอนเตียงคู่ไอ้คนคนละเตียงกับลรงแต่ไม่ใช่คู่กันนะสองเตียงในห้องเดียวกันประมาณนี้นะอาบน้าเวลาไปอาบน้าก็มีเปิดน้ำเจ็นมากก๊อกหนึ่งนะแปลงฟันก็ไม่ได้นะท่านก็เลยไปเปิเปดอีกก๊อกหนึ่งอ้าปากขึ้นหวัวออมาอา้อ า, อาตายมันร้อนลวกปากตายกูจะอาบน้ำได้ยังไงวันเนี้ยนะ เลยบอลงตาไปหาคู่ถังมาหน่อจีเอามาทำไมม า, ามาเปิดน้ำร้อนกับน้ํเหนาวใส่กันแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันสหน่อยเพื่อจะได้แปลงฟันเนี่ยโอ้ยมไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้อาบเหมือนกันหรอวะมันร้อนกับหนาวก็เลยไม่อาบเลยอดทนหนาว ห, หนาวกวหนาว เนี่ยเห็นไหมมันมีความอดทนเนี่ยเราเรียนรู้มาอดทนเอา้าจะนอนอยู่นั่นหลยเวลานอนเหรอเวลานอนก็ห น, นาวผ้าห่มก็ไม่มีมองไปทางไหนมีแต่กระจกนะเห็นกันหมดขยับขยืขย่นก็ไม่ได้มันห้าดาวมีแต่ผ้าคุมเตียงสอดเข้าแน่นมาก โอ้ยอผ้าห่มก็ไม่มีเนาะหนาวว่ะทำยังไงล่ะเอาผ้าจีวร น, นี่แล้วมาพับพับพบแล้วก็ห่มเามานอนทับลืมดูว่าผ้าคุมเตียงนั่นแหละคื อ, อผ้าห่มไม่รู้ะลืมสอดตัวเข้าไปไ ม, ไ ม, มันไม่ดูเนาะจะดึงออกมาคือเขาก็จะจับเอาแหละรประหาว่าเป็นเลยราบละลวงดึงผ้าคุมเตียงเขาออกเนาะก็เลยผ้าน้ําก็ไม่ได้อับซะอืม มันหาคู่ทางไม่เห็นมันไม่มีคู่ทางมาเบิดเท่ากันผ้าห่มอาบผ้าหม่มห่มก็ไม่มีเห็นแต่ท่านบนหาดาวเม่มันจางไหนเนี่ยมันนะหาดาวหาอะไรผ้าห่มก็ไม่มีคู่ทางก็ไม่มีให้มาแล้วจะอาบยังไงน้ำก็ร้อนนะเปิดเปิดแล้วจะอ้าปากว่าจะแปลงกว่ว้ามันร้อนตาย่าไม่รู้จักที่แรกว่าเย็นแล้วก็น่าจะานีะ้แหละเนยม เพืดีนะชีวิต <c oughs> ก็โอดทนนอาให้อาบก็พออยู่ได้ก็สบายบนนิดหน่อยแล้วก็กอด น, นอนแล้วก็นอนไปก็ธรรมดาชีวิตก็อยู่แบบสบายสบายแนยความโอดทนเยอนี้มันได้เลยทีเนี้ยฟ้องของเราเนี้ยโทรไปฟอ้ฟองนั่นฟ้องนี่ฟ้องเทศบาลฟ้องอะไรนะสออะไรนะมออก อ, อะไรนะสอสคบอพวกนี้ ฟ้องนะผู้บริโภคผู้เรียนแทนแต่นี้ไม่ได้ฟ้องสงบสบายออกมาบนนิดนหน่นนอยแต่ก็ลืมไปไม่ได้เกี่ยวอะไรเงินเสียก็เสียไปนะไอ้ที่ไร้สาระมันบริการดีมากที่เนี่ยในนั่นนะยังอื่นแต่มันบริการดีมากแต่แบบนี้มันไม่บริการดีนะ ก, ก็แล้วไปชีวิตเนี่ย อันชีวิตที่ที่เราฝึกฝนมีความอดความทนมาเนี่ยสบายไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรกับใครยังไงครูมีหน้าที่เรียกร้องก็เรียกร้องไปเนะี่ยผู้ไม่ทันทีเรียกร้องไม่ต้องเรียกร้องดวงตาฝากแว่นหนึ่งนะผู้บริหารบ้านเมืองหรือใครก็ได้อะฟังเดีย๋ยวนี้ในโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เบอร์เรานี่ใครรู้บ้าง ของตัวเราเนี่ยคนไหนที่เราเอาให้เขาก็รู้ใช่ไหมเราแจกเบอร์คนไหนคนนั้นก็รู้เราไม่แจกเขาขโมยไปมีไหมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยทาไมไม่มีคนออกมาเรียกร้องท้ไมไม่มีคนมาพูดเนี่ยลวงตากระเพอได้โทรศัพท์กับเขาเขาถวายมา เดี๋ยวนี้พอเปิดขึ้นมาเชิญชมคลิปนักเรียนสาวนะคะโอ้ยกูละเบื่อไหนยใครเป็นคนส่งมาเนี่ยหือใครส่งเข้าเบอร์เราเนี่ยพวเธอมีไหมมีเหมือนกันไหมมีเดี๋ยวส่งอันนั้นเข้ามาเดี๋ยวส่งอันนี้เข้ามาวุ่นวายเลยนะแสดงว่ามันต้องขายอ่ะ ขายลิขสิทธิ์เบอร์เราเนี่เจ้าของนี่ให้กับบริษัทอะไรให้ขับใครกลุ่มหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าไอ้นู่นนี่พอเชิญโทรมาที่เบอร์นี้เบอร์ที่เบอร์นั้นเออมาเนี่ยอา้าวเราไม่โทรไปเอามาอีกอยู่นั่นน่ะมีข้อความเข้านะคะเหมเือามาเนเปิดดูอ้าวมาอีกแล้วคลิปหลุดดาราว่ามันน่าดูทั้งตัวนี้วะ <c oughs> เนี่ยมันก็จะอยู่ปานนั้นนะ่ะถ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีคนที่เข้ามาคุ้มครองสิทธิของเราเองอะเนี่ย ถ้าไม่อยากให้ใครปล่อยอะไรก็ปล่อยเขามาปล่อยเข้าม า, เ, า, มาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีไม่ใช่เราล่ะถ้าไม่ใช่เราล่ะถ้าเป็นคนอื่นล่ะอย่างเยววาวชนนะเกือขายของไ e อ้ True อย่างเงี้ยนะหรืออะไรอีกอันหนึ่งนะถ้าคนอื่นนะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้แยกแยะเนี่ย กิเลสตัณหาเขามีเ้าป้อนข้อมูลเข้ามามเป็นไปได้ไหมที่มันไม่โทรออกเป็นไปได้ที่มันไม่เปิดดูเนี่ยแล้วครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียเงินเพราะเหตุการณ์บบนี้เท่าไหร่อย่างของนายกที่มีปัญหาปัจจุบันเนี่ยพอได้เป็นปุ๊บส่งไปหาประชาชนขอจากบริษัทเขาทั้งหลายนะส่งไปสิบเจดล้านเลขหมาย เลขหมายหนึ่งโทรกับนาทีละสามบาทคูณเข้าไปดิสิบล้านคูณ3เท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเบอร์ของเรามันโทรขเข้ามามันบอกแบบนั้นพูดแล้วลูกหลานเราที่มีแลวโทรย้อนออกไปเนี่ยสักแสนเลขหมายเนี่ยหรือล้านเลขหมายอย่างเงี้ยมันได้เท่าไหรอ่อ่ะสามบาทอนะ่ะ อย่ามันต้องเกินสบาทนาทีละสามบาทไม่ค่อยมีหรอกหกบาทขึ้นไป่แล้วเขาได้เท่าไหร่ครั้งหนึ่งที่ปฏิกริยาตอบกลับเนี่ยแล้วใครใครทำเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นสิทธิของผู้บริโภคใช่ไหมแล้วทำไมใครมารับรู้ใครเอาไปขายให้ใครอ่ะสิทธิเบอร์ผู้เนี่ยทำไมไม่ตื่นกันอนะ่ะเอาเรื่องการเมืองไปซะแล้วนะ บางคนหลวงตาไม่รู้เยอะใช่ไมรู้อะไรเยอะไปตามนั้นแหละบ่นไปจมไปนิดหน่อยแต่หลวงตาก็ไม่เคยโทรหรอกวะไม่เคยดูแต่ว่ามันมันไม่มีคนมาคุ้มครองอะ่ะอันเนี้ยนะมีแต่กดทิง้งกดทิง้งกดทิง้งอะไรอยู่ประมาณนันแหละนะมันยากลำบากเนี่ยเพราะเราอะไรเพราะเราเป็นเรื่อง มันกินกันได้หมดนะมันโค้งไข่เยื่อใหญ่เยื่อโยงใหญ่กันไปหมดนะมัน น, น้อยเสียง น, น้อยถ้าเราจ้างอะไรอ่ะทนายเหรอถ้าทนายความที่ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมไปพูดนะเขาหัวกันจบพอดีเลยนะต่อไปนอนาคตจะมีมา้าสองหัวหนึ่งตัว คือกินสองข้างก็าบอกคาทำนายของพุทธองค์ที่เขาเขียนทาทํานายสิบกข้อนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะต่อไปอนาคตแล้วมันเป็นจริงๆนะปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นแหละมันต้องเป็นทนายแบบที่คนรู้จักกันเอาทนายประมาณหรือทนายอะไรที่คนพอรู้ๆหน่อยเนี่ยที่มีชื่อเสียงเขาแล้วประกันอะไรนั่ น, นพอได้ทองใบหรืออะประมาณเนี่ยแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยมันมันสู้กับการชนกับพลังเนี่ยมันไม่ค่อยไหวเพราะว่า สื่อไม่ช่วยไม่ค่อยรับช่วงด้วยมันคือใหญ่ยากก็จะแพ้กับแพ้แพ้กับแพ้อยู่นัเนี่ยอันสังคมนี่ก็มีอย่างเดียวก็คือเงียบไปซะอะไรเกิดขึ้นก็เงียบไปซะเงียบไปซะอยู่ประมาณเนี้ยปัญหามันคือถ้ามีคนชั่วทำชั่วไปเรื่อยๆๆ ๆ, ๆมันยากลำบากมันมนะเดี๋ยวนี้เข า, เามาเป็นข้อต่อรองเนี่ย ก็ต่อรองถ้านายกทำผิดนะเขาบอกปกติรับเช็ครับของขวัญจากคนนั้นของนี่ไม่เกิน3า0พันเขาตีความอยู่ได้ไอเนี้ยามันมูลค่านี้มันเกิน3 0 0พันบาทแล้วเนี่ยใช่ไหมสิเจล้านเลขหมายเนี่ยได้รับมาจากคงคนอื่นที่เขาให้เนี่ยแต่สังคมก็ตีแบบไม่นี่ นะพยายามทวงเตะทวงตั้งแต่นู่นแหละนะะไรปปชไปนู่นยังต้องตีความตั้งนั้นตั้งนี่อะไรประมันมากมายหลากหลายคือคนชอบก็เลี้ยงกันไว้คนไม่ชอบก็คือฟันก็ง่ายอันเดี๋ยวนี้มันมันมันมันแปลสภาพกันเป็นอย่างนั้นกันไปนหมดแล้วนะ่ะมันไม่ได้ตามตัวบทอันนู่นอนันอนีน้ตีความตีความใครเป็นคนตีคนใช่ไหมคนตีคนตีความเนี่ยคนมีความรักไหมรักถ้ารัก รักตีความพอรักพ่อชังพ่อโกรธ พ, อ พ, อพอ่อหลบพอหลงอคติอ่ะมีอคติก็คือจบนะเป็นธรรมดาธรรมชาติฉนั้นสังคมนี้เราไปหวังเอาอะไรเอาความยุติธรรมยุติธรรมจากสังคมได้ไหมไม่ได้หรอกนะมันอยู่ที่ความพอใจอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของความพอใจกันไปหมดนะถ้าบรรทัดฐานของการใช้กฎหมายปกติเนี่ยสบายเลยสังคมนี้จะซื่อซื่อมาก และจะปกติดีมากๆเลยแต่เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้น่ะงดเลยทุกอย่างสร้างวัดสร้างว่าสร้างบ้านสร้างเรือนที่ดินที่ดอนวัดโน่นนี่มาขอละขอละขอละขอละทะนั้นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ที่ออกมาแสนล้านนี่ก็สามสิบเปอร์เซนต์ฟันนะนะก็กินกันแต่ได้อะไรอ่ะสังคมก็วุ่นวายอย่างหลวงตาเคยว่านะ นะสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้กับลูกกับหลานขึ้นไปเรื่อยๆๆๆนั้นเราจึงฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักให้เห็นว่าเออจริงๆเราก็แค่รูปนะเราก็คือนามนะพะขยับออกมันอกตัววุ่นวายทั้งหมดเลยเนะี่ยปัญหาทั้งนั้นเลยมันทำยังไงจึงจะให้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นมาอีกโดยเฉพาะผู้นำทางสังคมเนี่ยได้ปฏิบัติบ้างนะได้ปฏิบัติกันบ้าง ผู้นำทางสังคมก็อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่านี่แหนละผู้บริหารครอบครัวผู้บริหารสํานัก ง, งานอะไรต่างเนี่ยศึกาษาปฏิบัติกันนะเราเรียนรูก้กันเราเข้าใจลูกหลานกันแล้วก็อบรมมาดูแลกันเอาเนี่ยเริ่มต้นไปเนี่ยดีไม่ใช่จะไปอบรมดูแลเด็กอบรมเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็แหบอยู่นั่นแนะ่ะท่านมันเข้าไปอยู่ในสำนักงานในหน่วยไหนมันก็มันเป็นโครงสร้างของสังคมมันก็ผูกกลาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องกินกันไปแบบนั้นปัญหามันก็เกิดละ อันพูดเนี่ยไม่ว่าจะวงการไหนนะวงการญาติโยมวงการพระสงฆ์เป็นเอาไปมดน ะ, นะเพราะอะไเพราะว่าทุกคนมันไม่เข้าใจสัจธรรมไงไม่เข้าใจเรื่องชีวิตโดยโดยแก่นนะแต่เข้าใจแบบลว ก, ล, กลวกรวมๆเข้าใจแบบอัตตาอันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อสนองอัตตาเหมือนเดิมเพราะาเห็นชีวิตเป็นอัตตาแต่เมื่อไหร่ที่เห็นชีวิตเป็นอนัตตก็ทำแบบอ น, นัตตา อดังนั้นคนในหลายตั้งพวงเนี่ยเขาเหนื่อยนายพฤติกรรมแบบนี้ที่เขาเขาเห็นเนี่ยจิตเขาจะดีจิตเขาสูงนะพอพูดอะไรปุ๊บเขาไปได้เลยอะ่ะไปสู่การพ้นทุกข์ได้เลยบางคนนะแต่บางคนต้องทบทวนต้องไปเดินเจืกมทําหลายวั น, นยอย่างเรามาปฏิบัติทำเนี่ยบางคนพูดน้อ ย, อยมีความเชื่อศรัทธาปฏิบัติได้อารมณ์ไว แต่บาคนยังต้องเดินสองสาวันสี่ห้าวันมันใฉยไม่น้อกกบวงสัตวอย่างโน้นนี่านี้นะก็ไม่ออกคือพวกอยู่บนน้ํานี่ดอกบัวประเภทนี้มันก็บานพลุบทันทีแต่บางอย่างก็อยู่ใต้น้ํำนานบานเพื่อจะเลี้ยงมันโตขึ้นนี่สองสามวันสี่หวัน6จ็วันค่อยได้อารมณ์ค่อยบานขึ้นมานะตีพืกก้กลางน้ําหละกว้างน้ําต้องเดินทบทวนกลับไปบ้านกับทบทวนเพราว่าอีกปฏิบัติสองครั้งสาครั้งก็ได้บานกับเขาบ้างเนี่ยนะ พระพุทธเจ้ามีแค่นี้นะดอกบัวสามเหล่าแต่ว่าครูบาอาจารย์รุ่นหลังสอนคนแล้วมันไม่ได้เรื่องมันมีประเภทหนึ่งดือด้อด่านอ้างทิษฎดีโนดทิดจดีนี่เขาก็เลยบอกมีดอกบัวประเภทที่สี่อีกนะคือดอกบัวอยู่ใต้คโครนตมถ้าคนตมเนี่ยดอกบัวที่สี่เนี่ยพระพุทธจม่ได้พูดนะว่าใต้บิดกมันไม่มีนะคนเติมเข้าไปเฉ ย, ย ถ้าคนต้มเป็นอาหารของปลาแล่เนะต่าปลาเต่าก็คือโมหะปลาก็คือโลภะนะั่นแหละโง่เง่าเต่าล้านปนะีจิตใจไม่เจริญไม่งอกงามกับเขานี่นนเวลาเราไปทำบุญทำทานเขาก็ว่าให้ไปปล่อยปาปล่อยเต่านะปล่อยเต่าคือไปปล่อยความโง่นั่นแหละโยมโยมโง่โง่ไปหาพระท่านไปปล่อยเต่าเลย หรือทำธุรกิจไม่ก้าวหน้าหรือมีปัญหาหอะไรทั้งหมดไปปล่อยปลาไหลนะมันจะได้ลื่นไหลธุรกิจการงานที่ยังมันก็เหมือนเดิมสันดานเดิมเหมือนเดิมไม่ลื่นไหลอ้าวลุสืออึดอัดครับแคบใจใจไม่ค่อยอะไ น, นคิดแต่มากมิแต่เขาใส่ของไปหาหมอดูหมอดาวเขาเอาไปปล่อยนกโบยบินไปซะเหมือนจิตวิทยาเราได้ไปก็โอ้ยโล่งไปหนมันได้บินไปแล้วเนี่ยเป็นอุปทานแก่อุปทานทั้งนั้นนะ ไม่ใช่หลักสัจจะจิตจะมีอยู่แบบนั้นนั้นชีวิตก็มีแบบนี้ตลอดเวลาไม่ได้มีอะไรอลองนึกลองคิดดูดิจะยิ่งศาสนานี่ยเขาต้องการสอนนะขึ้นบ้านใหม่ทางเหนือนี่นิมนต์พระไปไหมเออนิมนต์พระเพื่อให้ไปสอนไงโยมอย่าหลงนะบ้านใหม่อย่าดีใจนะอันนี้มันผุพังเป็นนะอันนี้จังนะเนี่ย อนาตานะี่ไม่มีตัวตนนะเกิดแล้วก็ดับนะอย่าไปยึดมัน่นหรือมั่นมันนะแค่นั้นเองนะนิมนพระพระนี่ในตัวแทนของพระสงฆ์เจ้าของพระเจ้าคือไปสอนสัตว์จะทำให้ใหโยมอย่าประมาทนะอย่าได้ลงดีใจนะหรือว่าสร้างบ้านสร้างเรือนมาจนได้ป่านนี้อย่าเสียใจนะที่เสียไปเลยตาเนี่ยมาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อ เศนาสนานี้เพื่อกำจัดเรือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานที่บีบมันถึงมั น, ม น, มนเก่าได้มันอะไรได้ผู้พังได้ไฟไม่ได้ล้มพัดได้มันเกิดได้เรื่อยๆนะนะทำได้ก็อย่าดีใจมันผูกพังก็อย่าเสียใจบริโภคทำความจริงนะเท่าที่มันเป็นมันมีนะแล้วก็พระชันข้าวบางเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีแต่ท่านก็สอนเอาในมนภาพดีนะมาสอนนะั่น บ้านเราเนี่มาก ม, า ม, ามาคนนั้นมาลูกหลานมามาฟังท่านกเกษตรในฟังสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็เข้าใจสมัยก่อนว่าพุทธิยศไปเทศตีงานไหนคนนั้นก็ได้ดวงตาเห็นทำนะท่านแสดงอนุปูพิกขาแสดงอริยสัจสี่คนรู้แจ้งท่านก็กลับบ้านเหมือนจิตของเรานะ่ะเอาสร้างบ้านมาแล้วสร้างบางให้นี้ได้แต่กายนะมันอยู่เนี่ยแต่โยมยังไม่ได้สร้างบ้านของจิตเนะีะ จิตมันยังไม่อยู่ถึงไม่อยู่บ้านนี้จิตมันก็วิ่งว่อนออกไปข้างนอกระวังให้ดีท่านก็นสอนแนะนำว่าวิธีสร้างบ้านให้จิตอยู่คือแบบไห น, นให้มันอยู่กับฐานสติฐานสี่เลยท่านก็นสอนไปเข็เข้าใจโอ้เข้าใจเนี่ย ข, ขึ้นบ้านใหม่เขาก็นิมนต์พระไปคนตายนิมนต์พระไปไหมนิมนต์ไปเนี่ยวันนี้สวดอะไรมา น, นี่สวดอะไรจันวินเออกุศลา กุศลานไม่ใช่กุติกับศาลานะกุศาลาธรรมมานะไม่ใช่นะ <c oughs> สวดอภิธรรม <c oughs> เขาสอนนะมีไหมให้ไปขึ้นมีวิญญาณไปขึ้นสวรรค์มีไหมคําแปลนะมันไม่มีมันเป็นพูดถึงหลักของสัจจะเป็นอภิธรรมสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมว่ามันหมายถึงอะไรพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเทศเรื่องอภิธรรมอันเนี้ยให้ฟัง ถ้ามีเวลานะอารมณ์อภิธรรมเนี่ยจริงๆเขาสอนให้คนเป็นคนที่มาล่วงงานตายเนี่ยจะไปคิดอะมาตายนั้นมันไม่มีนะมีแต่ธาตุแต่ขันมีแต่อายตนะนะความจริงมันไม่มีนะคนเนี่ยมันสมมุติเฉยๆนะมันไม่มีนะโดยสัจจะไม่มีโดยปรมัตมมีแต่สภาวะธรรมมันไม่มีมีแต่ธาตุแต่ขันที่เกิดมันก็เสื่อมสลายไม่มีคนไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล นะฮะถ้าเราจะไปยึดเอาอะไรอย่ามันไม่ได้มีพระเขาก็มาสอนให้คนที่ตายนี่เมื่อก่อนก็อยู่เหมือนโยมนี่แหละะโยมที่นั่งอยู่แต่ก่อนก็ต่อไปก็จะเป็นเหมือนคนตายก็ตอนนั้นนะพระท่านก็สอนแบบนี้แต่เราเนึกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแล้วพระก็ ท, ทําทีเป็นแบบยังไงอะ่มะมาเทศมาสอนโยมก็สวดอภิธงอรรมไปตามเรื่องเราก็ศรัทธาไปแบบนั้นเกินึกว่าอยากเราจะได้ขึ้นสวรรค์นนะ แล้วก็ตรวจน้ํามาตรวจน้ำนายโยมนะตรวจน้ําตรวจน้ําจริงๆเขาพูดถึงเรื่องการเจริญสติเป้าหมายของพุทธศาสนาทั้งหมดคือนิพพานพูด ง, ง่ายๆนะเป้าหมายของพุทธศาสนาคือนิพพานทีนี้คนตายไปนิพพานได้ไหมไม่ได้หัสนิพพานที่เขามาสอ น, นเขาก็สอนปัจจุบันสอนโยมอย่าเศร้าโศกเสียใจนะ นิรุนังวาโสโกวัญญปริทวนันทังเตามัตตาญาเอวังติตันติตย a j a n a k ตกินตินสังมิสุปิติตติคารตหิตาสานโสุกะนาิรุนังวาโสโกการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีที่โยมกลังทำอยู่ไม่เป็นประโยชน์กับศพที่ตายไปแล้วนะคำแปลมันนะนาฮิรุนังนไม่โนไม่นิรุนังวาโสโกวัาวัญญ อย่านะหย่านะเนีย่ยปริเทวนานะตังการปริพฤเทวนาโศกเศร้าเสียใจพีไรลําพันไม่มีประโยชน์กับคนตายเลยแต่ในนี้มีการจ้างให้มาล่องไห้กับศพอีต่างหากบงทีนี่ดู ด, ดิแต่เนื่องจากพระไม่สอนไงเอาสัจธรรมมาพูดในการฟังไห ม, ไ ม, มนะไม่มีนะไม่มีนะมีจะพูดเรื่องอื่นไง มันก็เลยไปเรื่อยๆๆวัฒนธรรมนี้ก็หลวมไปเรื่อยๆเราไปมาก็คือมันเป็นเรื่องการบําเพ็ญกุศลศพแบบพรามนะไม่ใช่แบบพุทธไม่ให้คนฟังคนได้ยินนี่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันไม่เกิดภาวะของการรู้การตื่นการเบิกบานนะจุดทูบจุดเทียนในนั่นมากมายหลากหลายเขาทําพิธีกรรมที่จริงเขาแสดงนิทัศกาลให้เราฟังนะเอาไป เออเอาศพไปศพอยู่เล่รนี่แเนเอาพระสวดศพเขาเอากี่องค์สี่เป็นเพราะอะไรทําไมถึงมาสี่เจ้าภาพเงินน้อย <c oughs> เอามาสี่องค์ขามาสี่องค์คือมาสวดจริงๆเขาคือเขาพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่นะแต่สมัยก่อนนะพระนะมีหน้าที่หามศพนะสี่คนหาม แต่ก่นนะเอาพระมาหามสี่องค์โยมเขาไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะมันสกกระปองมันเหม็นหามพระหามอินเดียนี่ยีิบสี่ชั่วโมงนะห้ามเก็บศพไว้เกินยีิบสี่ชั่วโมงตายนะต้องเอาออกทันทีเด็ดหามใส่คานหามหามพิ้วพิแล้วก็ดอกดาวเรืองโปรยโปรยโรคือเลือดเต็หัวนอนนี้เอาไปเผาไฟทิ้งลงน้ําหรือบางทีมัดนี่มัดขาทิ้งลงไปเลยในน้ำํำคนอาบน้ำในแม่น้ำคง่าไปเนี่ย ท้องมันยังตุ่มป่องตุ่ป่อ ง, องลอยมาดันมากําลังอาบมันโว้ยมอน้นมันค่อยค่อยดันศบออกไปในน้าแล้วก็อาบน้ำต่อไปอีกช่ยสบายนะของเราไม่แล้วเผานะฮัลพระหามหามหา ม, หามเพื่อปลงอนิจจงไงแก้ละพระอนิจจานะปรงอสุภะเดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยได้ดูศพโยมเป็นคนดูขึ้นไปดูแล้วสติไม่ดีกันหงายตูมลงมาบางทีดูศพ เพราะเห็นไงบางทีปากมันแยกเกี่ยวแยกฟันเป็นมันเป็นนี้หรือบางทีก็จําภาพนะเวลานอนก็นึกเห็นหน้าแม่กูทําไมหน้าตาเป็นเดนเราไม่เข้าใจแต่ก่อนเขาให้คนมีจิตแข็งดูดูว่าเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้เป็นอสุภาษในร่างกายที่อยู่นี้ยังกโยร่างกายนี้เป็นอยำปีโคกายกายนั้นกับกายนี้เหมือนกัน่ะสมาที่ต้องดีเห็นแล้วมันถึงจะเป็น ยังจะเกิดภาวะจำแแจ้งแต่นี้เราเอาคนให้สติกําลังอ่อนไหวไปดนะูให้ลูกให้หลานดูพอดูเป็นครั้งสุดท้ายดูแล้วมันเป็นภาพติดตาแล้วฝันร้ายบางนี้จิตนะพราะเราไม่เข้าใจไงเขาให้ใครดูเนี่ยแต่พระก็อยู่โน่นเราก็อยากดูอยากเห็นพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายเอาไปมาติดภาพติดตานะอย่างนั้นก็นึกถึงภาพเห็นไหมแม่อาปาอย่อยา ก, กินข้าวนโะยมอย่าลืมทําบุญนะมาประจําเด้อ ขามาส่งให้พระนะพระจะนั่งสมาธิเลยไปส่งให้อยู่บนสวรรค์มันจะได้กินข้าวไหมเนี่ยพระในี่งพวกนี้ไม่ได้กินกระตามไปนะไปบินบาดกับคนไม่ฟังนู่นคือเป็นแบบนั้นเขาสอนเรื่องสัจจะให้คนฟัง กุศลธรรมะกุสลธรรมเอายยยอดนะเขาบอกว่าออจิตเนี่ยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอพยกตะเป็นกลางกลางก็มีกามยธรรมกุศลยาสมีสัมมยามาวจงกุศลจิตตังหูติสัมมนาสัสสะกตังญาณสัมปยุตังลุปาลมณังวาสตาวรังราโสตนะเขาสอนถ้าความคิดตัวไหนก็ตามที่มีสติญาณสัมปยุตังที่มีสติประกอบด้วยญาณสมยุตเนี่ยมันจะเกิดปีติ ญาณสัพพยตังวารูบารมณังวาสัตาบรมาบท ป, ปะภาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปุท ะ, ะกับรูปร่างขิดเสียงปพดทปะนะจิตเหล่านั้นกุศลธรรมะมันจะเป็นกุศลประกอบไปด้วยการปล่อยวางการเห็นแจ้งนั่นเองเขาบอกไม่ใช่มาสวดให้ศพนะแต่เราไม่เข้าใจโดยคนก็ไม่มีไม่มีตัวไม่มีตน เกิดขึ้นมันเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ขันแล้วก็เป็นสมมุติเป็นคนเขาว่าคนหาบุคคลไม่ได้ในปรมัติ์คนในปรมาติ์มีไหมไม่มีนี่ผมคนเล็บฟันนังเอามาประกอบกันขึ้นเอาเข้านะมาป้อนไปแล้วไปลูบไปล่างมาสมมุติว่าอีนั่นอีนี่บักนั้นบักนี้ขึ้นมาเป็นพระเป็นโยมขึ้นมาที่จริงหาได้ไหมไม่มีสมมุติแต่เขาว่าอีปอบนี่กูนี่เห็นไหมถูกตายเนี่ยจิตเนี่ย นั่นคารวะจะไปยึดนะสมมุติเฉยๆนะที่ยิง่งสัจจะของธรรมชาติมันเกิดแล้วมันก็ดับนะแต่สติเราไม่มีมันก็รับไม่ได้มันรับไม่ได้อะมันจะรับได้ยังไงตัวกูของกูเต็มไปหมดอาหังการมามังการตัวกูของกูกูคือกูเนี่ยกูเนี่ยร้องไงญาติกูพี่กูน้องกูแต่โอ๊ยอย่าเผาอย่าเผาเลยดนะงตเคยไปร่วมงานศพ พระก็ไปสวดพระก็ไม่ได้หรอกไอ้ที่สวดศพนั่นเลขึ้นไปก็จำออออออเอาผ้าม า, าเดินลงมาซองปัจจัยมาก็ไปตามเรื่องนหะ น, นะคือจริงๆเนี่ยพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงเ้าเอาไว้แต่ว่าเอาไว้ให้ผู้ฉลาดศึกษาไม่ใช่ไปลบทิ้งนะก็มีแบบนั้นแหละแต่ให้ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ แต่บางคนก็ไม่รู้เรื่องว่าหมายถึงมาอะไรผ้าปังสุ ก, งส ก, ก, กุนผ้าพงสุกุนเกษตรกรก็เอาไปเก็บตามศพแก้เอาตามเชื่อกติดดวงตาว่ามันลอยมานักแก้วที่มันอยู่ในนักแก้วมัมาซักมานุ่งพระไม่รู้จะเอาไหนไม่ให้มันสวยมันงามเหมือนคนอื่นเขานะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวนี่ให้มันเป็นธรรมชาติคือไม่ให้มันหลงนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้จีวอก็รีไวเดียเนี่ยดูดิ โยมมีแบบไหนพระก็มีเนี่ยสะดวกสบายมันจะไหวเรืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรอกมต้องธรรมชาติธรรมดามีอะไรก็เท่านั้นน่ะเรียกผ้าบางสุกุลแต่ที่เขามาหอ่อศพถ้ามาหอ่อศพส่วนมากก็คือไปบูชาตามพระตามวัดต่างๆเอามาเนะอาหลวงพ่อเอาขอบูชาผ้าน้อยเอามาใส่อะไ น, นี้นี่นียนะแล้วก็ได้เอาเนีเอาผ้าอะไรเปลี่ยนกันไปตามเรื่อง ไม่รู้เมื่อก่อนเอาหอ่อศพเดยนี้ไม่หอ่อศพเอามาพาดัพาดๆไว้ใกล้ๆพาเข้มาทำเป็นอเนจาวัตสังขา้าราขาช้างขาม้าขาวัวขาควายก็เอามาแต่ท่านก็ไม่ออกเสียงนะมันในใจก็ได้แล้วประมาณคือทําแบบสมมุติเฉยๆเนี่ยคือไม่ได้เอาจริงเอาจังแล้วคนไปร่วมงานศพเขาได้อะไรได้อะไร เป็นแฟนชั่นหนึ่งต่างหากที่เป็นร่วมงานศพนะแต่งชุดนั่นชุดดำชุดชดุดำก็จริงแต่ใส่ทองซะไม่มีซะทองเต็มคอใครมีอะไรก็ไปอวดกันนะพวกไฮโซทั้งหลายนี่นะพวกนั้นพวกนี้เขาเชิญมาไปจุดทูบจุดเทีย น, นแล้วก็คุยกันแล้วก็กินของหวานไปตามเรื่องนะพระก็เล่นลูกกน <c oughs> <c oughs> อน่ามาเอาไม่จริงเนอเวลาสวดศพนะก็จลมา โอยดูเหมือนขังจริงๆเนาะมีอม้นะอาขอเชิญท่านประธานจุดธูปเถียนบูชาพระเจ้าได้บูชาอภิธรรมก็ไปจุดอกีกแล้วพระก็สวดอกีกเสร็จพวกก็ขอเชิญท่านประธานนําโดยนายกนั้นนี่เขา้าถวายจตุปใจจัยเข้าตวา ย, เ, าวายเท่านั้นเองนะ่ะมันเป็นการเล่นละครอะไรสักอย่างแล้วก็จบไปหาสาระอะไรไม่มีนี่เหลือพุทธศาสนาที่บ่าเป็นศาสนาของการรู้ตื่นเบิกบานนะ่ะพฤติกรรมที่เราทํากันน่ะ แต่เวลาสวดอภิธรรมสวดเวลาเราไปฟังกันเนี้ยความหมายไม่เป็นยังไงอน่ยมันเป็นเหมือนเราคิดไหมดัง น, นั้นเราเข้าไม่ถึงแก่นเราจะเปลือกมาสอนกันน่ะศาสนาจึงตกต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย ๆ, ย ๆ, ยๆยงไงอันนี้มาเผยแพร่ธรรมะมาเผยนี่เผยก็คือเผยออกนี่เผยนี่ <c oughs> <c oughs> รู้จักเปิดไหม เปิดเผยคำว่าเปิดเผยแต่นี่มาปกปิดธรรมะเนี่ยเห็นไหมแล้วนั้นมันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าพิสูจน์อะไรเธอจงไปปกปิดธรรมะคือปกปิดคือเอาประเพณีพิธีกรรมปกเข้าไปปิดเข้าไปแต่นี่มาเปิดเผยเปิดเผยออกให้เรารู้โอ้เป็นอย่างนี้นาะเราก็เข้าใจอ่ะโบ้ท่านมาเปิดเผยนะท่านพูดให้ฟังเหมือนไยของที่ปิดเปิดของที่คว่ำมันคว่ำอยู่ก็ไงขึ้นมาดิของที่มันปิดก็เปิดให้กันฟังดิเรียนรู้ดิ แต่หลตาก็ไม่กล้าเที่ที่ลาพูนนี่นะถ้าเขานี่มโนไปเทียงงานสสกุกวกลับไม่ได้ก็จะว่าบุญบุญบุญบุญบุญบุญบมนกันนะนทำบุนอย่างโยมนะเอามาเยอะๆนจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้คำเดียวกันแหละแต่ถ้าปฏิบัติธรรมก็จะพูดไปอีกแบบย่างคือผู้ฟังต้องมีจิตรองรับได้อะที่สำคัญเนี่ย้นเราจึงมาจูนกันไง จูนกันแล้มาศึกษานี่ศึกษาพระสูตรพระวินัยพระวินัยก็ระเบียบลงตานั้นมันไม่มีระเบียบนะนั่งให้ดีอะไรตั้งใจฟังอะไรประมาณนี้เนี่ยคือวินัยเราศึกษาพระวินัยที่ใช้กับชีวิตได้พระสูตรก็คือสิ่งที่ได้ยินในฟังเราก็มาพูดในการฟังว่าเป็นยังไงคําสอนพุทธเป็นอย่างนี้พระสูตรพระอภิธรรมก็คือเอามาสวดในการฟังพระอภิธรรมคือเรื่องของจิตใจอาภิแปลว่ายิ่งใหญ่ลึกซึ้งก็คือเรื่องของใจมันยากคนเนี่ยกายเป็นพระวินัยใจเป็นพระอภิธรรม การกระทำเนี่ยเป็นพระสูตรแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปศึกษาําหลัตำราอันนั้นศึกษาที่ตัวเองเนี่พระพระุทธเจ้าบรรลุธรรมท่านก็ไม่ได้เอาพระไตรปิฎกไปอ่านใต้ต้นโพนะท่านไปอ่านตัวเองนะนี่เรามาปฏิบัติท่านาก็ไปอ่านตัวเองราคะเกิดยังไงโทษสามโมหะโมนีดูดาดดูตัวเองเนี่ยนี่แหละเาเรียกว่าดูธรรมะธรรมะธรรมะ ธรรมะคือสิ่งที่เกิดในกายในใจนี่แหละคือกายกับใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นมามีของสองสิ่งมีรูปกับนามี ส, สารมีพลังงานมีอะไรนี่ดูแค่นี้แต่เราก็ไปดูนอนต ำ, ตำลดตำราเป็นนไปไก่ยิ่งทำให้มันลึกซึ้งปเป็นเรียนเรื่องอภิธรรมมัทธสังฆหอภิธรรมโชติกะอะไรไปเรื่อยๆนะนอกตัวออกไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆก็เลยยิ่งหลงทางไปเรื่อยยิ่งเป็นสิ่งที่กิดขวางเป็นอรคทูปิยติ เป็นปริยัติที่เป็นงูพิษฉกเราอยู่เรื่อยๆนะนะเรายิ่งไม่รู้แจ้งดังนั้นสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเดท่านฝังเอาไว้ทุกอันนักปราชญ์เขาทำดีแล้วแต่เร า, แ ก, เาเนะแกะไม่เป็นนะแกะไม่เป็นพุทธธรรมนี่เหมือนธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติผ ล, ลไม้ต้นไม้จะมีเปลือกมีกระพี้มีเนื้อมีแก่นเดนี่เราอยู่ระดับไหน ศีลธรรมจริยธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีขยับมาหน่อยศีลธรรมจริยธรรมนะต่อมาก็เป็นนะกฎหมายขยับเข้าไปหน่อยเป็นป ร, ม, รถาถามัตดธรรมข้างในลึกๆนะประมรัดธรรมคือเรื่องทําใจถ้าทําใจได้จําเป็นต้องใช้กฎหมายไม่ไม่ต้องใช้นะถ้าศีลธรรมจริยธรรม ด, ทมดีที่มันเป็นเปลือกดีต้องมีกฎหมายไม่ไ ม, ไม่ต้องมีนะขนมธรรมเนียมดีมีกฎหมายไม่ไม่ต้องมี กฎหมายมันกั้นอยู่น interpret. ่นน่ะคนไม่มีวัฒนธรรมไม่มีขนบธรรมเนียมไม่มีประเพณีไม่มีการฝึกจิตฝึกใจม้างต้องใช้กฎหมายของประเทศไทยเห็นไหมจะร่างแล้วมีมาตราที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลสน้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพรอะไรเพราะจะไปเบรกจิตมนุษย์เดี๋ยวนี้เพื่อไปหยุดยั้งความคิดมนุษย์นั้นมีแต่ทวิมีแต่วักนั่นวักนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกฎหมายอันเดียวกันมีแต่ตีความตีความ ไม่แต่ละแต่ปกติความพ่าเลยเพราะว่าคนมันคิดสลับซับซ้อนแล้วมันตีเข้าตัวเองไว้หมดนะปัญหามคืออันนั้นนะแต่เราลองย้อนไปนึกถึงนี่อิสลามพวกอิสลามพวกมุสลิมเนี่ยศาสนาเขาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาให้ไม่ให้ถือกฎอันอื่นเขาถือกฎศาสนาเขาเขาคือคุณคุณคือคนมุสลิมคือคนอิสลามคนนึงแต่นั้นคุณไปอยู่ที่ไหนคุณใช้จดหมายเดียวกันเนี่ย กฎหมายมุสลิมถือว่าเป็นกฎหมายของประเทศนั้นด้วยถือกฎมุสลิมอะไรที่กฎหมายไหนที่มันขัดกับกฎมุสลิมกฎหมายในะถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเขาบัญญัติครั้งเดียวแล้วจบนะตั้งแต่สมัยนัน้นจบเลยบัญญัติอีกเลยไปอยู่ที่ไหนก็ใช้อันนี้เสร็จเพราะว่าเขาบัญญัติออกมาจากจิตคนไงห้ามพฤติกรรมของจิตนะนั่นคือกฎศาสนากฎศาสนานนคือกฎของจิตคนนะ แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นกฎสังคมมาเลยได้บวกอยู่เลยๆบวกทวิทวิทวิอนุอนุอ น, อนุอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าสร้างตามความรู้สึกของคนซึ่งมันจบไม่เป็นไงมันห่างไกลของสัจจะนะมันก็เลยยากไงยากแต่ก่อนเราอาศัยขนรรมรำเนียมประเพณีก็พอห้ามปรามสังคมได้นะหยุดยั้ยงได้ย่ แต่ว่าวัฒนธรรมขนมรำเนียมประเพณีศีลธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปรมัติสัจจะมันไม่ใช่ตัวการรู้แจ้งพอมันพังมันผูกมันพังคนมันไม่มีความเชื่อถือในลัทนะในขนบมรำเนียมประเพณีในศีลในธรรมแบบตื้นๆนเนี่ยนะเหมือนจิตวิทยาเนี่ยพอมันไม่มีความเชื่อถือปุ๊บพังหมดเลยสังคมเห็นไหมประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปรมัติธรรมที่คอยคอย ให้คนสามารถปฏิบัติเข้าถึงได้แต่เราไม่เรียนรู้ถึงปานนั้นเราเอาแต่จริยธรรมเอาแต่เรื่องสวรรค์เรื่องนรกมาคูกันเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องอะไรประมาณเนี้นะชาตินี้ชาติหน้าเด็กมันเลยไม่เห็นคุณค่ะเฮ้ย hey, ไม่จําเป็นนะั่งอะไรประมาณนี้แล้วมันหาไม่เห็นมันเข้าถึงไม่ได้เราไม่ได้สอนในความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเป็นแบบ น, นู้นแบบนี้นะต้องแก้ต้องไขต้องพัฒนานให้มันเกิดปัญญายาณเข้ามาเองนะเราไม่ได้ศึกษาถึงปานนี้ ดังนั้นพอศีลธรรมมันพังเนี่ยสังคมเละเทะเลยเดีย๋ยวนี้มันรับไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีตัวสัจจะอยู่ในตัวเองเราเห็นไหมคนที่จะศึกษาสัจจะลึกๆเข้าไปอีกจะเป็นพวกที่เป็นศาสตราจารย์เป็นพวกที่ทํางานทําการสูงๆลึกๆเข้าไปเขาไม่มีอะไรจะรู้นะเขาจะไปเรียนรู้เรื่องจิตใจเตรียมตัวตายนะไปเรียนรู้เรื่องสัจจะการเข้าถึงหลักสัจจะธรรมเนี่ยเขาจะไปเรียนรู้อันนั้น แต่ถ้าเราเอ า, าศาสตร์พวกนี้มาสอนเด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเรื่องการฝึกจิตฝึกใจการปล่อยการวางตั้งแต่เล็กแต่น้อยนีย่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเด็กจะไม่หลงทางปัญหาสังคมจะไม่เละเน้ะปานนี้นะแต่นี้เราไม่ไปเข้าข่ายจริยธรรมก็เป็นเรื่องจริยธรรมซะไม่ไม่ใช่เรื่องการฝึกจิตโดยตรงอะ่ะนะอา้าวไปก็ไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะพูดในเด็กร้องไห้ บุญพ่อแม่เอาวิดีโอคลอดลูกมาใช้กขาดูล้องไห้พระเาหนาเตรียมไปสิบสี่ปืนเจ็ดวันเนี่ยเช็ดเช้าเ็ดเย็นอยู่นั่นนะจิตมันอ่อนลงไปเรื่อยเรืไม่ได้เข้มแข็งอะ่ะเพราะเราไม่ได้สอนปรามัติสัจจะลราสอนจริยธรรมสอนจิตวิทยาให้เด็กไง น, นะปัญหามันก็เลยมีอยู่แบบนี้เรื่อย เ, อยเอยนะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้กันเยอะเยอะปฏิบัติธรรมเข้าดึงทำกันเยอะเนี่ยเราสอน กายวาจาใจสอนสติสอ น, สสอนปัญญาสอนจริยะสอนอภิธรรมให้กับใครก็ได้นะเมื่อไหร่ที่เราเฝ้าดูตัวเองเนั่นแหละเราเรียนรู้อภิธรรมเราดูเรื่องกายเข้าใจเรื่องกายสอนเรื่องกาอร อ, กายอยู่การกินการใช้ชีวิตน่ น, นี่อันนี้คือเป็นเรื่องสังคมเรื่องการใช้รูปในขณะเดีวยวกันเราก็สอนเรื่องจิตใจเรื่องการใช้นา้า ให้เรียนรู้ว่ากายจิตนี่มันคิดยังไงมันไปปรุงแต่งมันพอใจไม่พอใจมันรักมันใคร่กลไกมันทางานเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสนาเนี่ยเรามาเฝ้าดูนะแต่มันเป็นปัจจิตังมันเป็นของใครของมันต้องดูเองก็เรียนรู้เอาเฝ้าดูนะนี่นะมีคอร์สให้ดูเอาศึกษาเฝ้าดูจิตดูใจเทอมหนึ่งมีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าใจคนไหนสอนเรื่องศีลธรรมเอาให้เงินเดือนสูงขึ้นไปอีกหรือรมา น, นั้นมันก็จะดีแต่นี้คนไหนสอนศีลธรรมเท่ากับเป็นพระบวชอีกรอบหนึงเขาเฝ้าดูอยู่ขยับแทบไม่ได้เลยไม่กล้าสอนกินเหล้าก็ไม่ได้เมายาทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเป็นพระได้ไปบวชใหม่อะไรประมาณ น, นะคนไหนก็ไม่กล้าเพราะอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันเหมือนจิตแพทย์นะ ยากลำบากแต่คนไม่เห็นความยากลาบากคิดว่าเป็นเรื่ององมง่ายงั้นใครเข้าไปสอนนั่นแหละเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องรู้สูกมีภูมิฐานเข้าค่ายเรื่องจริยธรรมใครก็ไม่ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คน้นหาไปเรียนรู้ดูดิทั้งที่วิชานี้คือความเป็นค น, นเนี้ยเกิดมามนุษย์เดี๋ยวนี้เยาวชนทั้งหลายทั้งพวงไปเข้าวัดเข้าว่าอยู่ตอนมีงานงานบุญเขาจ้างเถกจ้างอะไรมากูก็ไป แต่ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ไปไม่ไปไม่อยากไปอ่ะไม่ได้ประโยชน์ไงแต่ถ้าเป็นโยปไปแล้วจะเรียน ร, รู้วิถีชีวิตของขอ ง, ของเราเองนะสังเกต ด, ด้วยนะลูกหลานคนไหนที่ใส่ใจเรื่องธรรมะเขาเข้าใจชีวิตเรื่องตัวเองเขาไปได้ไกลมากชีวิตนะแล้วเขาก็มีความสุขพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ห่วงลูกห่วงหลานนะนะ เราเองก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่วงลูกห่วงหลานเลยเวลาเราปฏิบัติธรรมปล่อยวางได้แต่ถ้าสติเราในน้อยแล้วคิดถึงลูกคิดถึงหลานนะมีคนมาลายอยู่วันนี้เขาล้วโอ้ยหลานจะไปโรงเรียนไม่มีใครดูแลาตายพอดีเนาะประมาณนั่นแหละอยู่กับลูกกับหลานจิตเนี่ยมันออกไม่ได้หรอกตายคากันอยู่แบบ น, นี้ชีวิตก็แค่นั้นนะถามว่าจะดีกว่านี้ไหมมันไม่ดีขึ้นหรอกเพราะมันผูกพันไง มันผูกพันผูกผูกหนอย่างนี้นะพันก็คือพันหลายรอบนะเห็นไหมเวลาเราคิดมันพันเข้าพันเข้าหลายรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบเอาไปมาต้องกลับให้ได้ไม่กลับไม่ได้มันอึดอัดไงมันพันมันเกี่ยวพันจิตเราเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้วิธีเอาออกเอาออกยังไงอิสระภาพทางจิตทําไงทําไม่เป็นมันต้องทําให้มันได้ทําให้มันเป็นนะทําให้มันปล่อยมันวางมันเป็นถ้าทําไม่ได้กแย่ลําบาก <laughs> งานบนุญงานกุศลทั้งหลายมันมีเรื่องของเรื่องหนึ่งนะแถมท้ายซะหน่อยนี่เหลือห้านาทีนี่เธอเคยได้ยินเรื่องอุพะอุปคุตไหม <c oughs> อุปคุตอยู่ไหนฮะเอาใครรู้เอา แล้วทุจะพูดนี่ฟังถ้ารู้นะถ้าไม่รู้มันจะได้เล่าเรื่องใหม่นะนะคือถ้ารู้อยู่แล้วก็คือแปลให้ฟังได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ก็คือเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังว่าพระอุปคุตคือใครนะนี่เพราะเธรู้ไห ม, ไมเอาไม่รู้ได้ยังไงเนาะเกิดมาเนี่ยไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เหรอัรติพระอุปคุต เป็นพุทธศานี่ยเี่ยเหมือนจะคนไหนที่ศึกษาแบบงมงายงมงายหน่อยจะรู้เนี่ย <c oughs> เอาไมา่ใช่บอยแล้วมันมันคือเป็นพระดังไดนเนาะพระอคุตเนี่ยพือจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนั่นน่พวกนี้ค่อนข้างงม ง, งายหน่อยเขาจะรู้จกักแต่ตอนนี้มันเลิกแหล่านี้มันมีติใหม่ได้นะ่นิวสมศักนะเดีย๋ย รู้ไหมครูพอรู้ไหมเคยได้ยินไหมพระอุปคุธเคยอ่านเคยศึกษาไหมไม่ประวัติพระอุปคุธเนี่ยฮะวัดอุปคุดทังไหนอ๋อพระอุปคุดวัดอุปคุธ ได้เข้าไปดูไหมว่าว่าพระอุปคุตอยู่แบบไหนโอ้หลวงตาว่าพระอุปคุตนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคนสมศักดิ์ว่านะเขาบอกว่าอยู่เชิงสะพานนี่เกือบพลาดเนะาะตะเทศไปเลยก็ยุ่งเลยลมันรู้อยู่แต่มันรู้คนอันกันนะพระอุปคุต ปางจกบาทแปลว่าอะไรอ่ า, รอ า, าอพระอุปคุตนี่ปางจกบาทถ้าไปบูชาแล้วจะสะดวกมีกินมีใช้คุณสมศักดิ์ก็มีบูชาที่บ้านไ ม, มนะไม่มีนะองค์นะปางจกบาทเออนี่ น, น, นี่มาแล้วเริ่มมาแล้วเออเอาเ ไปไปเอาตรงน้ำใช่ไหมเริ่มเริ่มมีแล้วช่วยกันช่วยกันปฏิปิะต่อทีมันภาพจิ๊กซอแต่ละตัวเนี่ยเอาไปเอาในน้ำแหละทุกทกอยู่อันไหนไม่ถูกลุถ้าจะเสริมให้เอาเอาเป็นก้อนหินขึ้นมานะเป็นสัญลักษณ์เหรอ ตัวแทนมาปราบมารตอนตอนมีงานเหรอตอนมีงานตอนเป็นงานอนั้นอยที่ที่วัดอเิลจเิจปะอาภูอเิกันโหน้มู่ีมได้ผมตกอตอผมไได้ปอจเปดอือก็เลยไม่รู้เท่าไหร่เออต้องไปแบบนั้นเลต้องไปแห่เอามีไม่เคยญาติโยมเคยไปแห่พระอุปคุตไหม เหมือนเหมือนเขาคุณทั้งหลายเขาว่าคล้ายๆแบบนี้แหละพระอุปคุธเป็นเริ่มดังในสมัยสังคายนาครั้งที่สามนะเขานิมนต์ท่านท่านเป็นพระอรหันต์แต่จาบรญสาอยู่ใต้ทะเลเจะเริ่มมาแล้ว น, นเนี่ยนะจะเริ่มมีนะเขาไปเอาก้อนหินเป็นสัญลักษณ์เอาเป็นตัวแทนท่านในะคล้ายว่า เป็นรูปร่างของท่านอะไรแบบนะั้นแต่จะเป็นผู้มีอนุภาพมากขนาดอยู่ใต้ทะเลก็ยังจบํบรรษาอยู่ใต้น้ำนะใต้ทะเลน่นแนะ เ, เขาจะไปที่มนท่านมาเวลาเฉพาะมีงานซนะูเปอร์บิ๊กที่จะมาดูแล ร, รักษานี่งานใหญ่ๆตัวโตเนี่อย่างงานปอบหลวงเหรอปลอยนะปอยหลวงนะเออน่ เอองานจะหลงนะงนะออั่นนี่เนี่ยอืม ok อ, อ, อ, อ, อืม ok เนื้ว่ า, า, อ ok าปอบหลวงก็ปอบหลวงก็แสดงว่าท่านจะต้องปะทะกับปอบตัวใหญ่ใหญ่นี่นะแบบนั้นนะนะคือต้องเจอผีกับผีใหญ่ๆ่ปอบก็ปอบตัวใหญ่ใหญ่นี่นะแบบนั้นนะได้คือคือถ้างานเล็กเน้อยนท่านไม่มาท่านไม่รับนี่มน่ะมันต้องเป็นใหญ่ใหญ่เท่นั้นนะ เขาจะไปนิมนต์ด้านมาท่านจะรับราชอาณาธนางานสังขยนาพระไตรปิฎกเป็นเนี้ยมันจะมีพวกมารปริมิตวสวติมารจะมาอารวาสมาอะไรเงี้ยทั้นเพื่อให้งานสังขยานาพระไตรปิฎกไปด้วยความเรียบร้อยก็จะไปอาราธนาพระอุปคุดนะอุปคุดเขาจะไม่ศับคําว่าอุปคุดหมายาว่าอะไรอุปคุดกายะคุตโตวจีคุดโตมโนคุดโต อุปคุตตะเขาจะไปนิมนต์นั่นมาไปนิมนต์มาแล้วก็ต้องต้องทําที่อยู่ให้ไหมนั่นต้องปกกุติให้ด้วยเด้เขาเรียกว่าสร้างหอหออะไรเออหออุปคุตเนี่ยต้องมีหอไปดูที่วัดนั้นวัดนี้ก็แสดงว่าจะพอสมควรแล้วเนี่ยวัดอุปคุตเนี่ยพอเข้าไปก็จะหลงละ พระ อ, อุบุธจะโจกกระเป๋าเธอละเนี่ยไม่ใช่โจกบาทเด้นิมนต์ท่านมาท่านมาดูแลในการในงานอ น, นันตต้องนอกจากนั้นก็ต้องมีอัถบริขารให้ด้วยมีไหม <S <S 1> <S 1> เครื่องอัฐนะอัฐบริขารอัฐแปลว่าอะไรอัฐ อัฐะแปลว่า เ, เออแปด น, นะฮะนะทุกะแปลว่าทุกะตะติ เ, เออ จ, จัตุจัตุกะตากะไม่ได้ก็แล้วไป ตะ ก, กะนี่นะตกกะกะแปลว่ามุมมามอัฐะแปลว่าแเครื่องอัฐะบริขารแก็มีเล็กสามน้ำสแล้วก็อะไรอีกหนึ่งแจนวินเล็กสก็เข็มแล้วก็อะไรบาทเล็กสองอะแล้วนะ3ก็คือมีดโกนเลนะ็กสาผ้า4 พาอะไรบ้างเออนั่นนะต้องมีมีอัฐบริขันมีครบแปดอยา่างเตรียมไว้ให้ท่านจุดท่านและมีกุฏิหลังหนึ่งคือมาแล้วท่านจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วคอยดูแลควบคุมงานทั้งหมดเนี่ยนะแต่จริงๆอันนี้คือเป็นปริศนาธรรมนะเนะนื่องาจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยู่ใต้ทะเลทาไมต้องไปนิมนต์พระอุปคุตมานะต้องดูแลเรือมาเนี่ยมันมีจริงไหม ทำไมต้องมีเครื่องอาาัฐบริขารมีสัพพทนพอเข้ามาในวัดต้องมีกันยิงปืนนะใช่ไหมนั่นเห็นไหมโตมะนาดีนะเนี่ยพระอุปคุตมานะยานะขึ้นพระนักเลงละองเนี่ยงานนี่ยาแยบนะนักเลงมาทั้งหลายนี่อย่ามายุ่งนะงานนี้อุปคุตมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีนะมาแล้วก็มีการสวดทิศปุริมันจะ ทีสร้งราชาณาลโทตัทาทติกุขันธปานังอธิปิมหาราชสิทพุทธาปิตสโินทนมมหาลาจุติมันโตตุติมันโตมานะมันโตยสินโมพมนะอภิกรมุงภิกุนังสมิติวันังพอสวดปุ๊ตูมอันดีนะต้อรรนะอาก้าก็รัวมาทางนี้ทีนี้ทิดตาทิเนื้ปุรมันจะอุตละนะ นะทักขินันจะปัิมันจะสี่ทิศทั้งหมดเนี่ยงานใหญ่ๆนะเขาจึงทำแบบระดับงานปล่อยนะงานปลอยใหญ่ๆต้องเป็นหลวงด้วยไนดะ้งานปลอยกระจอกเขไม่ไดนะ้ต้องหลวงนะคืองานสังขยาณางานอะไรต่างๆถ้าเป็นอีสานเนอะแต่ว่าอีสานงานงานบุญพระเวสสันดร ในบุญพระเวสสันดร<ๆ>เขาจะบังคับเลยให้มีเรื่องของพระ อ, อุปคุตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพระเวสสันดรจริงๆก็อยากพูดเรื่องพระปิิศนาทำพระเวสสันดรให้ฟังโดยซ้งไปว่าหมายถึงอะไรอะไ ร, ะไรยังไงยังไงเนี่ยนะแต่ก็ไว้เปิดคอดหน้าดีกว่าเนาะคือ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นแบบนี้แหละ พระอปปุคตเข้ามาเข้ามาดูแลและสางานสิ่งทีตง่ต้องเตรียมนะมาในงานท่านจะเอาวุธมาสามประเภทมาวแต่ที่ยิงเป็นปรดศนาธรรมเท่านั้นเอาวางไว้แค่นี้นะนะอย่างเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาจะนิมนต์มาในงา น, ร น, รนพระเวสสันดรนะอีสานพระเวสสันดรคือบุญใหญ่มากแห่กันหมดบ้านหมุนวงนั้นไม่มีพระอุปคุตไม่ได้ก็ต้องมาดูแล ก็มาเฝ้าดูสี่ทิศเนี่ยมีหอยท่านท่านก็นตั้งคำพิตั้งอยูน่นะความหมายคือเรื่องของวิปัสสนาเนี่นะเรื่องอารมณ์กรรมฐานจริงๆเนี่ยเอาย่อยๆฟังกันเลอย่างอย่างเรื่องของพระเวสสันดรแบบว่าเวสสันทะนางมัดซีเนี่ย อ, อะไรนะเท้าสนชัยเนี่ยนางเมียเท้าสนชัยชื่ออะไรนะ พุทธดีอย่างเงี้ยส้นชัยมาจากเขาว่าสัมปัชญะสนญยะสัมปัชญะพุทธดีก็มาจากว่านางพุทสติคือสติสติบวกกับสัมปัชญ์ชัญญะนั่นเองก็ เ, เกิดเวทสันตระเวทสันตระก็คือเกิดรูปขึ้นมานะ่ะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็มัดซีมัดซีก็คืออินทรีย้าอินรีย้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ตากระทบกับรูปหูก็สซเสียงนะ่ยมันกระทบกัน แล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมากิดแล้วก็เกิดอะไรล่ะเกิดตัณหานะเกิดตัณหากับอุปทานอุปทานคือยึดติดไงตัณหาภาษาหนะพออยู่ด้วยกันมันขัดสติมันก็เกิดกัรหาเขาเรียกว่ากัรหาเกิดกัรหากันหาก็หมายถึงว่าตัณหานั่นแหละกัรหาแปลว่าดำชาลีชาระแปลว่าขายก็คืออุปทานจิตเราถ้าไม่มีอันนี้มันจะเกิดอันนี้ขึ้นมา มันปูกพันมันก็อยู่ด้วยกันนี่นั่นเป็นเรื่องอารมณ์คนเดียวกันพอแล้วก็อยากให้มันหลุดออกจากกันหน่อยไหมพออยู่ก็ตั้งสร้างเรื่องต้องให้มันเข้าไปบําเพ็ญภาวนาจิตอันนี้เขาก็สร้างนะตัวหนึ่งขึ้นมาตัวอะไรตัวชูชกชูชกคือความโลภไงโลภอยู่ใครความโลภก็อยู่ความโกรธความโกรธก็อยู่กับนางนางอะไรเมียนี่ยอามิตรตานะจริงๆมิตรนี่แปลว่าความรักแต่ถ้าความโกรธความชังเนี่ยอามิตร นังอาวิธนั่นความโลภก็อยู่กับความโกรธอาวิรเนี่ยนันก็อยู่ด้วยกันธรรมชาตินั่นความโลภอยู่ความโกรธมันไม่พอมันต้องไปหากิเลสตัณหามาอยู่ด้วยกันอีกนั่นก็ไปขอกันหากับชาลีมาอยู่เนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องธรรมชาตินะ น, นี่เขาเข้าไปแหละปฏิบัติทํามเข้าไปก็มีนาะอะไรนะมีในพานเจตบุตรมีมา้ามีอะไรมีหมาสามสิบสองตัวหมาสามสิองอก็คืออาการสามสองแล้วเวลาปฏิบัติทําก็เจ็บเข้งเจ็บขามันกัดนั่นกัด น, นี่ประมาณนั้นนะ เขาไปก็ไปพบรือสีลือสีกับความสงบเข้าไปก็เกิดีไอ้อขี้เกียจพูดหรอเมื่อยจริงๆเขาพูดถึงเรื่องวิปัสสนานะพุทธศาสนานี่น่ารักมากแต่เพียแต่ว่าคนปฏิบัติทํา ม, มันเข้าไม่ถึงก็เลยแกะไม่ได้คือมันไม่มีมีดที่จะปาดกินอะมันเนื้อในมันจริงยังไงอะเราเลยไม่ได้ประโยชน์กับศาสนาก็เลยแต่อยู่แต่วแมบบ ศรัทธาแบบเปลือกเปลือกแบบศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรไปนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ต่างอะไรจากเรื่องของพราหมณ์เรื่องของผีเรื่องของเปรตท่าที่ศา ส, สนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์นะเพียงแต่เขาฝังไว้ในลักษณะแบบนี้เฉยๆรวมทั้งเรื่องปลาบูทองนางสิบสองพระรถเมลีอะไรพวกนี้ยทั้งหมดเลยนะสังทอง ม, โ, มโหสถหรือไม่แต่เรื่องอะไระเรื่องอะไรเนี่ยเลยเวลาแล้วเนี่ย เ ร, เ, เรื่องของเวตาลปัญจวิสติอย่างเรื่องของเวตาลพระวิกรมาทิติอะไรมานี้นะเห็นไหมพระวิกรมาทิตย์ก็คือจิตดวงหนึ่งนะมันมาจากไหนเมื่อจะมาเมื่อเมื่อวิธิลาเมื่อวิธิลาก็คืออะไรอ่ะนิพพานคือปกติมันนี้อเจ้าทปกตินี้ลงไหตามาเลยเข้าไปในป่าป่าก็คือความคิดพอเข้าไปในความคิดปุ๊บ มันก็ออกไม่ได้จะขับเคลืนไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็มีตัวหนึ่งมันก็มาพูดอยู่ในหูชื่อมันว่าอะไรฮะมึงอยคุยกับกูนะกูจะไปส่งได้อยู่อ่าถ้าคุยกับกูกูไม่ไปส่งมึงอะจะไปส่งแต่ห้ามพูดนะฉันคุยอะไรเลยห้ามพูดห้ามยุ่งนะโ อ, อ้ไม่เป็นไรเราปากตัวนั้นมันชื่ออะไรเออเวตาลไ อ, อเวตาล เ, เวตาล เ, เวตาล ไอตัวเวตาลเขาเขีย น, นเขียนต่อมันน่ารังเกียจ น, น้ากลัวมากขยะขยงมากมันจะมาพูดในหูนี่เวตาลคืออะไรคือตัวสังขารนัร่นแหละสังขารแปลว่าคิดแปลว่าปรุงแตง่งเวลาเข้าไปอยู่ในปา่าในความคิดเนี่ยเวลามันพูดอะไรเธออย่าไปพูดกับมันเวลานพูดเนี่ยมนคุยยงไมาไปรับลูกแล้ววันนี้เราก็จะพูดกับมันน่ะอย่าพูดกับมันเนี่ย ไม่ใช่ผัวไปแล้วเลยนี่มันไม่ได้กลับบ้านหลายวันโทรไปหาเขาก่อนดีไหมวันนี้อเอ้ยกลับบ้านยังไงเนาะไปหาโลตาแล้วทําที่เป็นป่วยดีไหมเนี่ยใข่เนี่ยรเราทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้คุยไปคุยมาเสร็จฉันคิดหาอุบายโน่นวันนี้นคือเบตาในะแหละมันพูดนั้นเขาจึงทํามันเป็นตัวหน้าขยะขยแยงไงมันพูดกับเราได้หูนี่พูดอยูย่บ่อยๆบ่อๆถ้าเราเฉยกับมันนะเรารู้สึกตัวไปเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเดินทางกลับบ้านเรื่อย แต่มันเกาะอยู่แถวๆนี้เราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงบ้านถึงเมืองมิจิลาแต่ถ้าเราคุยกับมันมันจะบินกลับมาที่เกาะต้นอโศกเหมือนเดิมเราก็ต้องมาบอกว่าไปส่งใหม่นี่วันนี้จะไม่ไม่คุยกับอีกแล้วเราก็มาเริ่มรู้สึกไหมนะมันก็พูดอีกเนี่ยที่จริงเขาพูดเรื่องสัตย์จะทำเรืเรื่องอารมณ์เรื่องกรรมดานเรื่องอะไรมากมายหลากหลายอะไเนี่ยเรื่องอันนี้ด้วยนี่นเรื่องเรื่อง พระเพื่อนพอแพงเคยได้ยินไหมนี่ที่เมืองสองเมืองสวงเนี่ยนะทำไมถึงมีแบบนั้นนายแก้วในาขวัญนี่เนี่ยทําไมต้องมีไก่แก้วต้องมีพรามนั่นชื่ออะไรนะเรามาสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นมารีเป็นอะไรนะแต่จริงๆเขาสอนเรื่องจิตเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นยุครื่งลุ่งเลืองแห่งปรมัติสัจนะ อย่างพระสุมังคลามาลาจานึกเป็นอกลักษณพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ในเมืองเหนือนะโด่งดังไปถึงอินเดียโน่นะแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรยังไงเอาไปมามันก็เลยก็เลยแบบนี้เราก็อยู่แบบเปลือกเปือกยู่ทางอ่างเดยวพุทธศาสนาเราศึกษาพุทธศาสนาแม้จะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามเป็นครูบายังศึกษาเหมือนเด็กเหมือนอนุบาลยิ่งถ้าเราไม่เข้าถึงตัวตัวปรามาตรัตสัจจะหรือตัววิปัสสนาเนี่ยจบพอดีเลย นะดังนั้นเดี๋ยวนี้เราไปศึกษาธรรมะที่โน้นที่นี่ ก, ก็ศึกษาเหมือนแนะ่ะเหมือนศึกษาพุทธธรรมแต่ยิงมันเข้าลึกไม่พอฮนะฮันไปศึกษาที่ไหนผลออกมาก็คืองมง่ายเหมือนเดิมเราไม่เข้าสู่หัวใจของพุทธธรรมนะเราแกะเปลือกไม่ออกนะเอา้าคูบาโก้ห่วงมากแล้วนี่นะอยากนอนแล้วอย่าโ ย, ยมไปหลับไปนอนแหละ ว, วันนี้ก็ พรุ่งนี้ก็ตื่นดึกลกเช้าเหมือนเดิมทำความเพียรเหมือนเดิมนะสร้างจังหวะบ้างไหว้พระบ้างก่อนนอนอะเวตาลจะไม่มาเยี่ยมเอาเตรียมตัว